บทที่17ภาพที่มองเห็นกระจ่างแจ้งทุกบททุกตอนนบัดนี้ดำมืดขาดหายวับไปประดุดภาพยนต์ขาดตอนด้วยกระแสฟไฟฟ้าดับประสาทสัมผัสทุกด้านเริ่มกลับคืนมาสู่สุภาพบรุษไพรทีระน้อยแม้ดวงตา ย, ยังปิดสนิทและมือทั้งสองประสานกันวางบนทรวงอกในท่าเดิมก็ตามสิ่งแรกที่ทำก็คือคลายมือที่กำประสานกันบนทรงอกออกแล้วหักนิ้วลันพอ ค่อยๆยกมือขึ้นแตะไปตามใบหน้าของตนเองสัมผัสได้กับอุ้งมือทั้งสองที่รูปใบหน้าต่อมาก็ควาามือคลำออกไปพบร่างของใครคนหนึ่งนอนสงบนิ่งไม่รู้สึกตายอยู่ข้างตัวและนั่นคืออิสาเบลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นความรู้สึกบอกตนเองเขาก็คือระพินไพรวันแน่แท้เนื้อเหล็กอันเย็นเฉียบของเอมที่วางชิดกายอยู่อีกด้านหนึ่งสัมผัสกับท่อนแขนก็บ่งชัด ค่อยๆเพยเยออเปลือกตาขึ้นพบว่ายังเป็นราตรีอันสงัดเงียบกำดัดดึกภายในโพรงถ้ำใต้อกสิงโตหินขนาดใหญ่ซึ่งเข้ามาพักหลบภัยอาศัยนอนอยู่กองไฟที่ก่อไว้หมดเปลวลงแล้วเหลือแต่ฐานแดงๆอยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นอดประหลาดใจไม่ได้ว่านี่เขาพลอยหลับไปนานเท่าใดและได้เกิดนิมิตฝันเป็นเรื่องราวติดต่อกันเราก็มีใครมาฉายภาพยนต์ให้ดูฉะนั้น จอมพรานสำรวจสติมานอีกครั้งพยายามทบทวนในพฤติเหตุที่มองเห็นจากนิมิตประหลาดอันไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่ามันจะเป็นตุเป็นตะกระจ่างแจ้งชัดเจนถึงเพียงนี้ทุกระยะทุกเหตุการณ์จิตราคนางริมฝีปากของเขาขยับขมุบขมิบเอ่ยนามนั้นอะไรกันนี่นั่นคือโฉมหน้าของคุณหญิงดารินชัดๆ แม้แต่อากับกิริยาและน้ำเสียงวาจาที่พูดออกมาและอัคนิรุธตัวเราเองเช่นนั้นหรือมันเป็นความจริงที่ผ่านมาแล้วกี่ร้อยกี่พันชาติหรือว่าเราฝันไปเองเพราะเลือดลมธาตุไม่ปกติในคืนนั้นแสงจะทารุณ น, นี้ราพินไรวันขยายม่านตากว้างเต็มที่มองอย่างปราศจากความหมายขึ้นไปบนเพดานหินอันดำมืด รกรุงรังไปด้วยรากมาที่ทะลุงอกลงมาสมองมึนงงไปหมดพยายามรวบรวมความคิดและปลุกเซลล์ทุกส่วนขึ้นให้มารับรู้กับสภาพความเป็นจริงที่กำลังประสบอยู่สรุปความจำได้ว่าระหว่างคณะทั้งหมดพักกันอยู่ใต้ร่มไซรใหญ่ริมคูเมืองโบราณตอนหนึ่งได้ถูกโจมตีในกองทัพหมาป่าจำนวนมากเบลแตกพลัดจากคณะกระเจิงกระเจิงหนีออกมานอกบริเวณค่ายพัก เขาติดตามหล่อนมาด้วยความเป็นห่วงและในที่สุดก็พลัดแยกจากคณะทั้งหมดโดยหนีมาตามลำห้วยแห้งขนาดใหญ่ที่มาพบเข้าโดยบังเอิญอันในที่สุดก็มาได้ที่พักปลอดภัยภายใ ต, ใต้หินใหญ่สลักเป็นรูปสิงโตหมอบเขามาอาศัยอยู่ด้วยกันเบลบาดเจ็บค่อนข้างสาหาัสประถูกหินหรือราบไม้แหลมคมบาดเป็นแผลลึกใต้เต้าฐานข้างหนึ่งเขาเป็นผู้ปถมพยาบาลและสีดยาระงับให้เกลอน โดยอาศัยคำสั่งข้อแนะของคริสซึ่งสามารถติดต่อกันได้โดยทางวิทยุจากนั้นเบลก็ถูกสะกดด้วยยาระงับประสาทส่วนเขากลับไปได้วยความอ่อนเพลียข้างๆแพทย์ชาวอเมริกันผู้เคาะร้ายและพอหลับก็ฝันในสิ่งที่ตนเองไม่คาดคิดมาก่อนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรย้อนคิดไปถึงสำเนียงประหลาดที่มักจะโหยแววมาสู่โสดหรือมิฉะนั้นก็ส่วนลึกของประสาทส่วนรับรู้ ตลอดระยะเดินทางที่ผ่านมาเขาเคยถูกสิ่งลี้ลับเหนือโลกเอ่ยเรียกว่าอัคคิรุธซึ่งเขาไม่มีโอกาสเข้าใจได้เลยว่าเหตุใดต้นถึงถูกกระบุในนามอันไม่เคยได้ยินมาก่อนนั้นแล้วก็เสียงเรียกนามจิตตางค์นางที่มันแว่วมาให้ได้ยินอยู่เสมอบัดนี้จากแผ่นภาพของความฝันที่เพิ่งจะสะดุ้งตื่นขึ้นมายกหยกเขาพอจะประมวลเหตุการณ์ และสรุปได้แน่ชัดแล้วว่าอักคณิรุธนั้นแท้ที่จริงก็คือตัวเขานนั่นเองผู้กลับชาติมาเกิดในพบนี้เป็นมัคุเทศนำทางหรือพรานป่านามว่ารพินไพรวันส่วนจิตรางคณาก็คือมอมราชวงศ์หญิงดารินวราริศอย่างแน่นอนเพราะเขาหน้าอิรยาบทถท่าทีอุปนิสัยใจคอเป็นคนคือเดียวกันชัดชัดแต่ทว่าเหตุการณ์ในอดีต หากว่ามันเป็นความจริงเหตุใดมันจึงเป็นเรื่องราวที่แสนเศร้าสะเทือนใจเช่นนั้นเป็นพฤติการแต่หนหลังอันมีความเป็นวาหยาสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่เขายังหาข้อวิสัชนาให้แน่ชัดออกมาไม่ได้โดยเฉพาะเหตุการณ์ในฉากสุดท้ายที่ตนเองคืออคคณิรุธมองตามหลังดารินหรือจิตรังคดางควบม้าพระกลับไปยังที่ตั้งของกองฐานฝ่ายตนภายหลังจากกล่าวปฏิญาณสาบแช่งเขาไว้ โดยปลาหอกมาปักไว้เบื้องหน้าเขาหลอนไม่ได้ฆ่าเขาพายหลังจากท้าออกมาประอาวุธตัวต่อตั ว, ตวซึ่งเขาไม่ยอมที่จะขอต่อสู้ด้วยหาแต่ยอมออกมาให้ประหารโดยดีแล้วดารินควบม้าหายไปไหนเหตุการณ์ได้ดำเนินต่อไปเช่นไรระหว่างตัวเขาเองดารินและจอมผีดิบมันตรัยในชาติพบก่อนนี้ มีความสมพั์เกี่ยวข้องกันมาก่อนอย่างแน่นอนจากสิ่งที่พบเห็นในฝันบัดนี้เขาหมดความคลางแคลงใจแล้วในข้อที่ว่าเหตุใดมันตรายจึงเฝ้ารอคอยจองเวงกับเขาอยู่จนกลายเป็นศึกติดพันหนักอกก่อให้เกิดความสูญเสียและเป็นลูสสรในการเดินทางอยู่เช่นนี้ทั้งเมื่อคราวที่ทำหน้าที่นำทางให้แก่คณะของคุณชายเชศฐามาจนกระทั่งจาเป็นต้องมานาทางให้แก่กลุ่ม ค้นหาซากเครื่องบินตกของฝ่ายสืบราชการลับอเมริกันในครั้งนี้มันได้เกิดความอาฆาตขียดแค้นเป็นไม้เปลือยไม่เมากันมาแต่ปางบานชนีนี่เหล่าและเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่านี้ระหว่างเขากับแม่ดอกฟ้าดารินซึ่งต้องมาพบพานกันในชาตินี้เล่าความฝันได้แสดงความจริงให้ปรากฏเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นปางนั้นดารินหรือจิตตรางคขนางที่เขาเป็นฝ่ายข้าศึก และสังหารปิดาของหล่อนตายกลางสนามรบแม้จะโดยไม่เจตนาจงใจก็ตามหล่อนได้ชักม้าพลัดจากเข้าไปได้ดวงจิตอันอาฆาตแค้นแต่ก็ฆ่าเขาไม่ลงใกล้คาของราตรีที่หล่อนชักม้าควบกลับไปสู่ค่ายพักพนของฝ่ายตนนั้นได้เกิดอะไรอย่างใดขึ้นต่อไปเหตุการณ์เหล่านี้มันได้เกิดขึ้นมานานแล้วกี่กลับกี่กันกี่ชาติ ผู้กองกำลังคิดใช่ไหมว่านายหญิงของแง่ซายพ่ายหลังจากปักหอกไว้ตรงหน้าผู้กองแล้วชักม้าหวนกลับห่อตะบึงกลับไปสู่กองฐานฝ่ายตนนั้นได้เกิดอะไรขึ้นต่อไปเสียงกระซิบทุ้มลึกดังแววออกมาจากโซดส่วนลึกของเขาจากความเคยชินต่อพฤติการอันลึกลับชนิดนี้ระพินไม่สนใจที่จะมองค้นหาว่าที่มาของเสียงมันมาได้อย่างไรจากไหน แด้ก็รู้สึกอบอุ่นและตระหนักแน่ว่าตนเองยังไม่โดดเดี่ยวเดียวได้นะตราบใดก็ตามที่สัมผัสได้กับกระแสจิตของเจ้าอาดีตคู่คิดเพื่อนตายเก่าแก่ที่มักจะส่งสัญญาณมายัางเขาอยู่เสมอยามใดที่ตกอับอยู่ในขั้นเข้าตาจนก่อนอื่นฉันอยากจะรู้ว่าภาพในนิมิตของฉันมันเท็จจริงแค่ไหนเรื่องอื่นเราค่อยคุยกันถ้าแกสามารถจะบอกกับฉันได้ จิตของเขาตอบออกไปในข้อคำถามเช่นกันมีเสียงหัวเราะแฝงเลสนในตามแบบฉบับของเจ้าคนใช้ชาวดงที่เขาคุ้นบุคลิกของมันมาดีที่สุดก็อยากจะถามผู้กองก่อนว่าเชื่อในเรื่องชาติเรื่องพบเรื่องกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าล่ะหรือคิดว่าชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้พอเกิดมาแล้วตายก็ตายไปเลยไม่มีการหวนกลับมาเกิดใหม่ได้อีก แงซายฉันเชื่อใน law of rebirth หรือกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของสิ่งมีชีวิตในห้วมจักรวาล น, นี้และเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมด้วยทั้งนั้นสิ่งที่ผู้กองมองเห็นในความฝันก็น่าจะเชื่อได้ว่าเป็นความจริงตอบให้ชัดว่าจริงหรือไม่จริงอย่าใช้คำว่า น, น่าจะอันกำกวมเกินกว่าจะวินิจฉัยได้ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ด้วยหลักเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะต้องตั้งเป็นสมมติฐานไว้ก่อนและสมมติฐานนั้นจะให้ลงความเห็นออกมาอย่างแน่ชัดได้อย่างไรนอกจากการใช้คำว่าน่าจะเท่านั้นเป็นยังไงเจ้าหญิงจิตรางขนางหน้าเหมือนนายหญิงของผมมากไหมไม่ใช่เหมือนเฉพาะรูปร่างหน้าตาเท่านั้น คำพูดคำจาทิสายใจคอก็ยังเหมือนกันไม่ผิดแลวผู้กองเองก็เหมือนอัคนิรุษผู้ฆ่าบิดาของคนรักไม่มีผิดเช่นกันทั้งรูปร่างหน้าตาและมาที่เตะแบ่งเหมือนกันผิดกันแต่เพียงยุคก่อนยิงธนูแม่นแต่ยุคนี้ยิงปืนแม่นเท่านั้นก็แปลว่าสิ่งที่ฉันฝันไปหยกๆยกนี้ทบทวนเรื่องราวในอริททั้งหมดระหว่างชันกับนายหญิงรวมทั้งมันตร และอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นไปในครั้งกระนั้นออกมาให้ฉันได้เข้าใจงั้นหรืก็น่าจะใช่ฉันฝันเห็นถึงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรมีอะไรเป็นเครื่องชี้นำหรือบรรดาลขึ้นสาบานว่าไม่ใช่ผมเข้ามาสะกดจิตให้ผู้กองฝันไปรอกจะพูดว่าเทพยดาฟ้าดินเป็นผู้บรรดาลมันก็เหลวไหลเกินไปเอาว่ามันถึงคราวจะระลึกชาติได้ มันก็เกิดเป็นความฝันหรือนิมิตขึ้นก็แล้วกันฟังเข้าใจง่ายดีแงซา ย, ายแกเห็นหรือรู้เหมือนอย่างที่ฉันรู้เห็นในความฝันไหมผมเห็นได้แจม่มใสชัดเจนละเอียดเสียกว่าผู้กองเสียอีกอยากจะบอกมาตั้งนานแล้วแต่สิ่งที่เหนือกว่าปิดปากผมไว้ก็เมื่อผู้กองรู้ได้โดยตนเองแบบนี้ก็ดีแล้วจะได้รู้ถึงกรรมเก่าที่มาของตัวเองเสียที ฉันกับนายหญิงของแกเกิดมาแล้วกี่ชาติพบนับไม่ถ้วนหลายกับหลายกันมาแล้วทุกชาติไม่เคยสมหวังในความรักกันเลยแม้ต่างฝ่ายต่างรักผู้กองตกเป็นฝ่ายทุกเวทนาผิดหวังอยู่ตลอดทุกชาติเพราะคำสาปแช่งของนายหญิงมันก็น่าจะจริงนะดูเอาชาติปัจจุบันนี้มันก็บ่งบอกชัดอยู่แล้วก็มีอย่างหรือไปฆ่าพ่อเขานะ่ ผู้หญิงที่ไหนเขาจะมาร่วมหอลงๆกับผู้กองด้วยถึงว่าสินะรพินรีตาความเศร้ามองเริ่มเข้าครอบงำดวงจิตฉันผิดหวังได้ ห, หญิงของแกมาหลายกับหลายกันหลายชาติพบอย่างที่แกว่ารวมทั้งชาตินี้ด้วยใช่ไหมเอาหน้าทำใจดีๆไว้ผู้กองได้ใช้นี่กรรมมาหลายชาติแล้วนี่ทบต้นทบดอกมาก ม, า, กม า, กายกายกองเหลือเกิน อาจมาหมดสิ้นเวรกรรมในชาตินี้และสมหวังสัทีก็ได้เสียงนั้นดังมาปนหัวรอกขันๆจอมพรานถอนใจลึกกรรมเวรของฉันที่ก่อไว้กับจิตรลางขนางหรือนายหญิงของแกมันคงยังไม่หมดสิ้นไปหรอกแกก็เห็นอยู่แล้วว่าแม้ชาตินี้ฉันก็ต้องทมซานกระเซระกระเซิงพลัดพรากจากเธอมาทั้งๆ ท, ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ต้องลบากยากแค้นแสนสาหัส ต, ต้องทุบทรมานใจเพราะพัดพรากจากรักจนแทบจะตรอมใจตายเอาละคราวนี้ฉันจะขอถามแกบ้างถึงเรื่องราวในอดีตของฉันและเธอผู้นั้นหากแกตอบได้ก็ลองถามมาถ้าบอกได้แงาซายก็จะบอกทำไมจิตรางขนางไม่เอาห อ, อกเสียบอกอักคณิรุเสเซียในครั้งนั้นแสนแค้นแต่ก็แสนรัก เธอจึงไม่อาจสังหารอัคนิรุธได้เท่าว่าคำสาปของผู้หญิงคนหนึ่งนั้นรุนแรงเหลือเกินมันยิ่งกว่าเธอจะฆ่าผู้กองในสมัยที่เป็นอัคนิรุษเสียในปางนั้นเสียอีกบอกสิเกิดอะไรขึ้นหลังจากจิตรางคนางควบม้าพระจากไปแล้วอยากรู้หรือภาพฝันของฉันมันขาดตอนหายไปแค่นั้นถ้งียส า, ายบอกผู้กองจะเศร้าหนักลงไปกว่านี้ กอนในยุคนั้นหาได้เฉลียวคิดเลยสันิดว่านายหญิงควบม้าพระจากไปคราวนั้นเธอไปสู่อะไรบอกเถิดแงซายเธอก็ไปสู่ความตายน่ะสิความตายหมายความว่ายังไงภาพเงาตะคุม่มลางเลือนเหมือนเงาปีศาจเคลื่อนจากทางด้านศรีรษะที่เขานอนอยู่อ้อมมาหยุดอยู่ทางด้านข้างแล้วค่อยๆหย่อนลงนั่งห่างออกไปไม่มากนะัก แต่เกินกว่าที่เขาจะเอื้อมมือไปถึงเป็นภาพเงาปริศนาเหมือนทุกครั้งที่เคยเห็นเขาหน้าร่างกายของเงานั้นเห็นไม่ชัดคเนไดแต่ขนาดรูปร่างสันฐานเท่านั้นว่านั่นคือเจ้าอาดีตคนใช้เก่านามว่าแงซายคู่ปรับตัวชกันและมหามิตรผู้ยิ่งใหญ่ในโสดของเขาบัดนี้สดับได้ว่าได้ยินเป็นเสียงพูดเหมือนคนธรรมดาเพียงแต่แผ่วเบาเท่านั้น มีลับลมอีกหลายสิ่งที่ผู้กองไม่รู้เพราะภาพในนิมิตจะแสดงให้เห็นในบางตอนเท่านั้นฟังนะอคคณิรุตเอาละผมจะขอเรียกนาผู้กองดพินอย่างนี้ไปก่อนจำเหตุการณ์ก่อนฉากสุดท้ายนณะรบหนักนองเลื่อนตอนอคคณิรุษถูกล้อมตลบหลังด้วยอูบายศึกแล้วก็ยิงธนูไปเสียบคอมหิติเดชะเพราะสาคัญผีบคิดว่าเป็นอุปราชายสุริยาได้ไหมจาได้ ราตรีก่อนหน้าศึกแตกหักที่จะตัดสินโชคชะตานั่นแหละติตรางคณางถูกสมเด็จพระบิดาสั่งปลดอาวุธและให้ทหารควบคุมองค์ไว้โดยไม่ให้ออกมาร่วมศึกด้วยในฐานะไส้ศึกกระทำการอันเป็นการหน่วงเหนียวประวิงเวลาไม่ให้กองทัพของนิทรานกรพิชิตศึกได้ถนัดเพราะคอยรอบส่งข่าวให้อัครนิรุธทราบปอแสลวงได้อยู่ตลอดเวลาว่าแผนศึกของกองทัพใหญ่มีอย่างไร จุดประสงค์ของเธอต้องการเพียงแค่ช่วยชีวิตคนรักด้วยหวังไว้ว่าเมื่อสมเด็จพระราชบิดาตีหากเอาปัญจาไม่ได้จนกระทั่งฤดูฝนย่างเข้ามาก็จะยาทับกลับไปเองเธอถูกจับได้พระอุปราชายสรยากราบทูลความจริงกับมหิติเดชโดยมีเหตุผลและหลักฐานมาแสดงพร้อมมหิติเดชพิโรธราชิดา ม, มากแต่พ่อกับลูก ก็ทำอะไรกันไม่ได้ถนัดนักจึงเพียงให้ควบคุมตัวกักการไว้ในระหว่างศึกเท่านั้นรักพ่อก็รักรักคู่รักก็รักประสงค์อย่างเดียวคือการประนีประนอมแต่ตัวเองพลาดถูกควบคุมองศ์แล้วเช่นนี้รายงานข่าวที่เคยส่งให้คู่รักก็เลยถูกตัดขาดอักคณิรุธไม่ได้รับข่าวใดๆอีกเลยประกอบกับระยะเวลากระทันหันพอรุ่งขึ้นก็เป็นศึกแตกหัก มเหตที่เดชาต้องธนูของอาคันิรุษเพราะความเข้าใจผิดของอีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากกระแสข่าวที่เคยส่งให้ขาดตอนไปพอรู้ขา่าวพระราชบิดาต้องธนูของชายคนรักถึงแก่สวรรคตกลางศึกจิตรังคณามก็แทบขาดพระไทยตนเองทําให้ศึกยืดเยือ้อจนพระราชบิดาต้องสิ้นพระชนเพราะฝีมือของชายคนรักซึ่งไม่คาดฝันมาก่อนอีกพระไทยหนึ่งก็คิดแค้นพระเจ้าอาชัยสริยา ที่แนะนำเพชรทูลให้พระราชบิดากักกันพระองค์ไว้ไม่ให้เข้าร่วมบงการศึกอยู่ด้วยเพราะเธอเชื่อแน่ว่าแม้มีเธออยู่กลางศึกสงครามอักคณีรุ์จะทำอะไรพระราชบิดาไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่นี่ตนต้องมาถูกขั้วขุมไว้เช่นนี้แผนศึกของพระราชบิดาและพระเจ้าอาชัยสุริยาพิสูจน์ชัดว่าละหลวมพลาดพลั้งอย่างหมดทางแก้ไข ้างอุปราชใช้สุริยาที่มีแผนตราเตรียมการอยู่ก่อนแล้วพอตรนักแน่ว่าพระเชษฐาสิ้นพระชนลงคึ้นปล่อยมกุฎราชกุมารีผู้สันทันในการรบและคุมกําลังทหารไว้ในกรมือมากมายให้เถลิงะวันขึ้นเป็นจักรพรรดินีกลางศึกโทษที่ตนเองไปเพชรทูนไว้ให้คุมองค์เจ้าหญิงก็ย่อมหมายถึงหัวขาดแน่นอนจึงถือโอกาสดันปฏิวัติซ้อนในทันที สั่งจับจิตร่างขนาจัควบคุมองค์ไว้อย่างมั่นคงประกาศตนเองเป็นมหาราชแทนพระเชษฐานในกลางศึกกลางความสูญเสียระหว่างสงครามนั้นอย่างฉับพลันนัสายยนการที่เจ้าหญิงควบม้าศึกมาทาร ก, กับอักคณิรุธยังนนาประตูเมืองนั้นขอให้รู้ไว้เถิดว่าเธอยอมสละหมดสิ้นแล้วขอต่อรองกับพระเจ้าอาผู้ทรยศเป็นครั้งสุดท้ายโดยบอกกับชายริยาว่า ในไหนตนเองจะตายอยู่แล้วก็ขอตายกลางสนามรบอคเิรุธนั้นได้ประกาศท้าออกไปแล้วให้ชายสรุยาออกมาประอาวุธด้วยตัวต่อตั ว, ตวเธอก็จะขอรับหน้าที่นี้เสียเองเพื่อแก้แค้นให้แก่พระราชบิดาขณะที่เธอมายืนมา้าท้าอาคเิรุธให้ออกมาพบอยู่นั่นแหละเธอได้สูญเสียสิ้นหวังหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแง่ายนี่เป็นความจริงหรือ เรื่องราได้เป็นไปเช่นนี้เธอไม่ได้บอกให้ชายคนรักรู้เลยว่าสถานภาพของเธอณบัดนั้นตกอยู่ในลักษณะดใดแต่เมื่อเรียกอักขันิรุธออกมาแล้วอีกฝ่ายกลับไม่ยอมรบด้วยแต่ออกมาเพื่อที่จะให้เธอฆ่าเพื่อให้หายแค้นเธอก็สุดที่จะทำเช่นไรได้จะฆ่าคนที่ตนแสนรักยามเมื่อยืดอกให้เป็นเป้าคมหอกคมดาบอยู่โดยดีเช่นนั้นก็ทาไม่ลง จึงปากห อ, อกลงไปกลางแผ่นดินตรงหน้าพร้อมทั้งสาบด้วยความคับแค้นน้อยใจแล้วก็ควบม้าห่อตะบึงกลับไปสู่เนื้อมือของพระเจ้าอาผู้ทรยศราตรีนั้นเองแม้จะได้รับการปลอบประโลมใจจากปโปรหิตมรนไตรว่าจะช่วยหาทางเอาราชบลังคืนมาให้อย่างไรเธอไม่ได้สนพระไทยเลยตกดึกก็เสวญยาพิษร้ายแรงปลิดพระชนชีพตนเอง พระินตะลึงครึงเพิดในคำบอกเล่านั้นอุทานว่าโท่ทำไมจิตตรางคณางไม่บอกอคัคนรุธว่าเธอตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นก็นั่นแหละกรามมันบังตาไว้ทั้งสองฝ่ายจิตตรางคณางผู้สูญเสียหมดทุกสิ่งไม่อยู่ในฐานนั้นที่จะปริปากบอกอะไรแก่ชายผู้ฆ่าบิดาของตนได้ถ้าเท่ากับที่ถ้าบอกความจริงออกไปอัคนิรุธก็คงจะหาทางสกัดกั้นกักตัวเธอเอาไว้ ม่ยอมให้กลับไปสู่เคราะห์กรรมที่รอคอยอยู่รอกจอมพราเนชาตินี้ขบบันแน่นหลับตาลงในขณะนั้นปางนั้นฉันไม่รู้เลยจริงๆว่านายหญิงของแกตกอยู่ในสภาพเช่นที่แกเล่ามาให้ฟังนี่ถ้ารู้ฉันก็เอาตัวนายหญิงไว้แล้วโดยไม่ปล่อยให้กลับไปตายรอกเรื่องมันผ่านมานานแล้วครับผู้กอง แล้วก็ไม่สามารถปุนการเวลาไปสู่เหตุการณ์ตอนนั้นเพื่อแก้าขาไขใดๆไ ด, ได้อีกแล้วมันเป็นอดีตที่แสนจะปวดร้าวขมขื่นของคู่รักทั้งสองฝ่ายแล้วก็เลยเกี่ยวโยงเป็นเวรกรรมกันมาตลอดทุกชาติเล่าต่อไปอีกสิแล้วหลังจากนั้นชัยสุริยาหย่าทักเพระเห็นว่าจะหักเอานครปันจารไม่ได้ซึ่งโดยข้อเท็จจริงก็ไม่สามารถเอาชนะอัครรุตได้นในทุกด้าน ฤดูฝนก็ใกล้เข้ามาทุกขณะตนเองก็ได้เป็นใหญ่กรองแผดดินแล้วพี่ชายตายหลานสาวอันจะรั้งบรรลังก็ดื่มยาพิษหมดเส้นหนามแล้วจึงยกทัพล่าถอยกลับปล่อยเนครอปัญจานเป็นอิสระนับแต่นั้นไม่บังอาจเข้ามาโจมตีอีกเอาพระศบของมหิทธิเดชและจิตรางคณังอาบยาไว้นำกลับมาประดิษฐานไว้ในมหาสุสานแห่งราชวังยางนิทรานาคร และททางด้านอักขันิรุธก็โง่เหมือนเมือนกับผู้กอในชาตินี้นั่นแหละกว่าจะรู้ว่าสุดที่รักของตนเปรียชีพตัวเองเป็นแล้วด้วยยาพิษก็เป็นเวลาที่กองทัพสหราชาอาณาจักรถอยพลทั้งหมดพระจากแว่นแคว้นตนออกไปหมดสิน้นเงานั้นชี้มือมาทางหน้าของเขาเน้นเสียงว่าสิ่งที่ผู้กอในยุคนั้นจะทาได้ต่อไปก็คือ หลังจากนั้นก็แอบลักลอบติดตามเข้ามายัางมหาสุสานของราชวงศ์กราบขมาโทษต่อพระศพของมหิธิเดชะแล้วก็ลอบขโมยเอาพระศพอาบยาของจิตรางคณางไปประดิษฐานไว้ในห้องบรรทมของตนเองในนครปัญจานมายอมเสกสมรสกับสตรีอื่นใดทั้งสิน้นทุกราตรีจะนอนชิดอยู่กับศพอาบยาในโลงแก้วที่ไปลักลอบขโมยมาจนกระทั่งถึงแก่อายุขายไปในที่สุด แงซานี่มันเป็นอดีตที่รันทดปวดร้าวมากเหลือประมาณระหว่างชั้นกับนายหญิงของแกเขาครางก็ใช่สิมันถึงได้ปวดร้าวติดต่อกันมาทุกชาติอยู่นี่ยังไงผู้กองโง่เอที่ไม่เอาตัวนายหญิงไว้เสียในตอนนั้นได้กลับปล่อยให้เธอไปตายตายอย่างเจ็บช้ำน้ำใจในทุกด้านทั้งทั้งที่ถ้าตัวเองจะเฉลียวใจคิดสักนิดก็จะสามารถคลี่คลายช่วยเหลือเธอไว้ได้ ก็นั่นแหละนะมันเป็นกรรมลิืขิดที่ใครก็ไม่สามารถจะบิดเบนหรือแก้ไขได้แล้วต่อจากนั้นฉันหมายถึงทางด้านนิทรานครฝ่ายนั้นเขาก็รู้ว่าอัครุทธมาลอบขโมยศพจิตรังขนางไปแต่เขาจะสนใจอะไรขโมยก็ขโมยไปสิชายศริยาก็ได้บัลลังก์แล้วกระสัเปลี่ยนวงใหม่ส่วนเรื่องราวที่ผู้กองเคยรู้มาก่อนบ้างแล้ว เกียวกับความพินาศล่มจมของนิทรานครและเจ้าหญิงพันธุมวดีมันก็เป็นเหตุการณ์สืบต่อมาภายหลังพันธุมวดีเป็นลูกผู้น้องเป็นราชธิดาของกษัตริย์ชัยสุริยาผู้ซึ่งในที่สุดทั้งอาณาจักรก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของราชปุโรหิตมันไตรอย่างที่รู้กันอยู่แล้วระหว่างจิตรางคนากกับพันธุมวดีเป็นเหตุการณ์ที่ห่างกันออกมาอีกสิบขวบปีโดยเปลี่ยนราชวงศ์ไปแล้ว ครา น, นี้แจมแจ้งแดงแจเคลียออกไปหรื อ, อยังผู้กองที่มีน่ารักของคุณหญิงดารินรัฐินสงบงานไปพักใหญ่แล้วก็เอ่ยขึ้นเสียงแหบตามว่าขอบใจมากแงซายที่ช่วยมาให้ความกระจ่างแก่ฉันเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากแผ่นภาพลิมิตฝันของฉันเดี๋ยวนี้ฉันรู้แล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรก็เห็นว่าไหนไหนผู้กองก็รู้เองระลึกเองได้ถึงเก้าสเปอร์เซ็นแล้ว ผมก็เลยช่วยมาเล่าแจ้งแถลงขายเสียให้ครบเต็มร้อเปอร์เซ็นเลยยังไงละ่ะถ้าผู้กองไม่ระลึกได้เองก่อนผมก็คงไม่มาบอกให้ร้องเอาละ่ะหมดเวลาของผมแล้วเทนจะต้องไปสถทีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปตามลำพังก่อนก็แล้วกันเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตแต่ปัจจุบันนี้มันสำคัญว่าจะอยู่จะตายจะอับจนจะรอด มันก็ขึ้นอยู่กับว่าศาะตาชีวิตของผู้กองเองแล้วขึ้นอยู่ช้าประเดี๋ยวถามโน่นถามนี่ซอกแซกอีกไอผมมันคนใจอ่อนแล้วก็ปากบอนซะด้วยจบเสียงนั้นเงาที่เห็นอยู่ก็ลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสูงสง่าเคลื่อนเฉียดผ่านไปทางด้านศีรษะเขาแล้วก็หายเข้าไปในมุมมืดอันลีลับเรือหินไรวันนอนนิ่งอยู่ในสภาพเดิมพยายามนึกทบทวนไปถึงความฝัน รูปโฉมโนมพันของจิตรางคนางปรากฏเด่นชัดอยู่ในมโนภาพของเขาซ้อนภาพใบหน้าของดารินวราริศแม้ว่าการแต่งกายและเครื่องประดับจะผิดกันคนละยุคสมัยแค่วงหน้านั้นก็คือวงหน้าเดียวกัน ช, ชัดๆและบัดนี้จะโดยอุ ป, ปทานหรืออะไรก็ตามเขาเห็นดวงตาคู่นั้นแลนิ่งมายังเขาอย่างเศร้าสร้อยมีหยาด น, น้ำตาคลอปริ่มแล้วไหลรินเป็นทาง ริ่มฝีปากนั้นขยับมีเสียงกระซิบเรียกนามเขาอัคคิรุตระพินอัคคเิรุธระพินสลับกันอยู่เช่นนี้จิตรางคณางดารินเขาเผลอตัวผุดลุกขึ้นนั่งและร้องตะโกนเรียกออกไปสุดเสียงดังกล้องไปทั้งคูหาหินที่พักนอนอยู่น้ำเสียงนั้นกังวานสะท้อนกลับไปกลับมา ล้อการเหมือนจะแทรกลงไปในโพรงถ้ำหรืออุโมงค์อันลึกล้ำกระทบแง่่ลืบหินจึงก่อให้เกิดระบบการสะท้อนกล้องไปทั้งบริเวณคูหาหินอย่างประหลาดรับกันเป็นช่วงๆและค่อยๆจางห่างไกลออกไปตามลำดับเหมือนหนึ่งจะดำดิ่งลงไปสู่ห้วงบาดาลเสียงตะโกนของเขาไม่จะดังสักขนาดไหนก้องกองวานเพียงใดเพื่อนร่วมตาที่นอนหลับสนิทอยู่ด้วยฤทธิ์ยาข้างๆกาย ก็หาได้สำเนีกหรือสะดุ้งตื่นขึ้นมาใดใดทั้งสิ้นอิสซาเบลผู้บาดเจ็บยังคงนอนสงบนิ่งเลื่อพินหายงวงเงียเป็นปลิดทิ้งคว้าไฟฉายขึ้นมาเปิดสวิต์ส่องสำรวจไปทั่วๆบริเวณที่เข้ามาหลบพักนอนอีกครั้งแสงจากแบตเตอรี่แห้งมันอ่อนโรยลงเต็มทีแล้วไม่อาจทำให้เขามองเห็นสิ่งใดได้ถนัดเกินกว่า 3-4 วาที่แวดล้อมเป็นเงาปริศนาอยู่ นำบัดนั่นเองสำนึกแห่งความเป็นตัวของตัวเองก็กลับมาอีกครั้งอย่างฉับพลันทันด่วนเพราะเสียงออดเรียกเป็นระยะระยะของเครื่องวิทยุรับส่งประจำตัวที่วางอยู่ใกล้ๆนั่นแปลว่าไฟายพพวกตนที่พลัดแยกกันอยู่ในขณะ น, นี้ได้กดสัญญาณเรียกมาแล้วไอวิทยุของพวก CIA ที่เขาได้รับจกประจาตัวเครื่องนี้มันก็ดีไปอย่างหนึ่งในกรณีที่ว่า แม้จะดับสวิตช์ไม่ได้เปิดไว้เลยก็ตามทางอีกฝ่ายต้องการเรียกโดยเปิดสวิตช์เครื่องของตนขึ้นและกดคีย์สัญญาณพิเศษกระแสะคลื่นจากเครื่องส่งของฝ่ายเรียกก็จะเข้ามากระทบกับสื่อรับของอีกฝ่ายหนึ่งทำให้ปรากฏเป็นเสียงออดสัญญาณเตือนขึ้นแต่มันต้องหมายถึงอยู่ในรัศมีที่คลื่นส่งสามารถส่งมาบังคับได้ถึงโดยไม่มีอะไรสกัดกั้นไว้ด้วย เลพินหยิบเครื่องมือสื่อสารซึ่งให้ประโยชน์ที่สุดในการเดินทางมาในครั้งนี้ขึ้นมาเปิดสวิต์โอเคได้ยินแล้วเขาพูดกรอกข้อความลงไปลอยๆเพราะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ติดต่อมาเลพินขณะนี้ห้านาฬิกาแล้วตามเวลาที่คุณนัดแนะกับบุญคำและคริสไวท์เสียงพูดชัดเจนที่แววออกมาจาได้ว่าเป็นเสียงของหัวหน้าคณะนะครับเขารับคาออกไปสั้นๆ คุณพร้อมที่จะให้ทั้งสองคนออกเดินทางจากที่นี่ไปยังตำแหน่งที่คุณและเบลอยู่ในขณะนี้แล้วหรือยังด็อร์สแตนลีย์ถามมาในทันทีข้อทอาบก่อนว่าขณะนี้พวกคุณและพรานของผมกับลูกหักทุกคนได้ลงมาจากต้นทรายที่ขึ้นแปศสยอยู่แล้วหรือยังเขาย้อนถามไปสติสัมปชัญญะกลับคืนมาสู่ปัจจุบั น, นการพร้อมสับปัจจุบันที่มีปัญหาสารพัดรอค อ, อยอยู่ตรงตามที่แงทร า, ายบอกไว้ พวกเราทั้งหมดลงมาพักนอนกันใต้โคนต้นไทรภายหลังจากเลิกติดต่อ ก, กับคุณไปประมาณครึ่งชั่วโมงโดยคําสั่งของบุญคําทุกสิ่งทุกอย่างทางด้านนี้สงบเรียบร้อยดีที่สุดแล้วเล ไ, ไฟจากระเบิดเพลิงรอบด้านสงบไม่มีอาการว่าจะลุกลามไหม้ป่าอย่างที่เกรงไว้แต่พวกเราช่วยกันก่ อ, กอไฟกองโตวไว้ล้อมรอบและนอนเบียรเสกกันใต้โคนไทรนี่เอง อเมริกันอาวุโสรายงานกับเขาโดยละเอียดชนิดไม่ต้องให้ถามเราหลับหลับตื่นตื่นกันตลอดระยะเวลา 2-3 ถึงชั่วโมงรอจนกระทั่ง5นาฬการตรงผมจึงตัดสินใจเรียกมาที่คุณนี่แหละขอทราบทางฝ่ายคุณบ้างก็เรียบร้อยดีเช่นกันผมหลับสนิทเพิ่งจะตื่นเมื่อได้ยินสัญญาณเรียกจากวิทยุแลวเบลลล่ะคราวนี้เป็นเสียงของคริสติน่า ซึ่งยังคงเครียดเคร่งเต็มไปด้วยอาการกังวลส่อชัดหลับสนิทขนาดเขย่าตัวยังไม่รู้สึกขณะตอบรัะฟินเอื้อมมือไปจับตัวแม่มสาวคนเจ็บซึ่งอยู่ในภาวะเหมือนคนสลบแต่คิดว่าคงไม่มีอันตรายอะไรแทรกซ้อนนอกจากหลับเพราะฤทธิ์ยาสะกดแน่ใจหรือว่าเบลยังหายใจอยู่ที่ประจประมาณ70สครั้งต่อนอาทีลมหายใจสม่ำเสมอตัวร้อนเล็กน้อย ผมไม่แน่ใจว่าจะมีอาการไข้บ้างหรือเปล่าเพราะผมไม่ใช่หมอเอาละ่ะคุณสุภาพบุรุษไพรคุณพร้อมที่จะใช้ฉันออกเดินทางไปยังที่คุณหรือยังย้ำอีกครั้งฉันไปถึงเร็วเท่าไหร่เบลจะปลอดภัยขึ้นเท่านั้นโอเคผมพร้อมแล้วแต่ขอให้ผมพูดกับคนของผมหน่อยบุญคำข้าเสียงขขงเขาอึดใจเดียวแล้วเงก็ได้ยินเสียงของสมุนขวาคู่ใจดังก้องออกมาจากลำพงจิ๋ว แสดว่าแกคงไม่ได้หลับเลยนะตื่นพร้อมอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างไงคารับได้จะให้บุญคำพาแหม่มคริสไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอคิดว่าป่ารอบตัวบุญคำในขณะนี้ปลอดโปร่งแน่นอนแล้วหรือย้ำถามคนของเขาเพื่อความแน่ใจอีกครั้งถ้าฟังไม่ผิดก็ไม่มีอะไรแล้วละนายทั้งไอ้พวกผีตายซ่าทั้งไอ้ฝูงมานรกไปกันหมดแล้วค้นหารายเฟิ่นของฉันที่ตกอยู่พบแล้วอย่าง มันเล่นอยู่แถวๆบริเวณฟางพักนั่นแหละเขาหมายถึงจุดสี่ห้าแปดวินประจำตัวบุญคำเก็บไว้แล้วนายดีมากเอาปืนของฉันกระบอกนั้นติดตัวมาให้ด้วยบุญคำรับคำมาเขาเว้นไปชั่วอึดใจเสียงคริสก็ชิงถามสวนมาซะก่อนระพินคุณบอกทิทางกับคนของคุณได้เลยเราจะเริ่มออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้และจะใช้วิทยุติดต่อเพื่อตรวจสอบทุกระยาะ ซึ่งทางฝ่ายอาจารย์และพวกเราทางด้านแคมป์นี่ก็จะรับฟังรับรู้อยู่ด้วยตลอดเวลาสำหรับฉันกับบุญคำขณะนี้พร้อมแล้วบุญคำเขาพูดไปยังคนของเขาครับนายน้ำแม่มคริสมาได้แล้วจากปางพักหันหน้ามาทางตะวันออกเฉียงใต้ตรงด้านที่เคยเห็นมีเปลวไฟลุกไหม้มากที่สุดประมาณห0สถึงปสิบเมตรถ้าเดินเป็นเส้นตรง จะมาพบกับลำห้วยแห้งขนาดใหญ่อีกห้วยหนึ่งที่นั้นจะพบซากหมาป่าหลายตัวนอนตายอยู่ให้ลงมาในลำห้วยนั้นบ่ายหน้ามาตามลำห้วยทางด้านตะวันออกลำห้วยมันจะคดเคี้ยวให้เดินมาเรื่อยๆจะพบว่าแนวตลิ่งสองฝั่งจะต่ำลงตามลำดับแปลว่าระดับเดินจะขึ้นสูงพอสุดเส้นทางในห้วยจะพบป่าเทววันขนาดใหญ่ขวางกั้นอยู่ข้างหน้าสองไฟตรวจให้ดี จะเห็นหินก้อนใหญ่สองก้อนอยู่ริมป่าเถาวัลย์เป็นรูปสิงโตอยู่คู่หนึ่งอย่าไปที่ตัวซ้ายมือในขณะหันหน้าขึ้นจากลาห้วยแต่ให้ต่ขึ้นมาตามบันไดหินของสิงโตหินตัวขวาฉันอยู่ใต้ซ อ, อกอกระหว่างขาหมอบของสิงโตตัวขวามือนี่แหละถ้ายังสงสัยยังไงให้ใช้วิทยุสอบถามมาได้ทันทีมีข้อสงสัยอะไรอีกถามมา เขาสั่งการออกไปช้าๆซึ่งเชื่อแน่ว่านอกจากบุญคาแล้วฝ่ายนายจ้างทุกคนคงจะได้ยินและเข้าใจอยู่ด้วยเช่นกันถ้างั้นบุญคำออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลยนะนายเออมาได้เลยแล้วก็อย่าประมาท ร, ระวังตัวขีดสุดหมาป่ามันไปกันหมดแล้วแต่พวกผีดิบตายซากอาจคอยดักเล่นงานอยู่ตรงไหนก็ได้ตลอดเส้นทางนี้ขออนุญาตผมไปด้วยคนได้ไหมพี่ เสีเชิดวุฒแทรกโคลงขึ้นมาอย่างกระตือรือล้นคุณวุฒิระีินพูดออกไปด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดผมขอร้อยคุณอยู่กับด็อกเตอร์สแตนลีย์และคิดก่อนและขอให้จันรับผิดชอบดูแลพวกคุณทุกคนในระหว่างที่บุญคําไม่อยู่นี้จําไว้อย่างเดียวว่าถ้าเกิดไม่ชอบมาพากลอย่างไรก็ให้ทุกคนทางด้านโน้นรีบปีนหนีขึ้นไปบนต้นใส่ครั้งเอาไว้ให้สว่างมองเห็นอะไรได้ชัดๆแล้วค่อยหารือกันใหม่ บุตรชายท่านในคนเงียบเสียงไปแล้วก็กลายเป็นเสียงของเนคคีที่บอกมาว่าวุฒจะถูกกักตัวอยู่กับพวกเราทางนี้ไม่ต้องห่วงระพินและขณะ น, นี้บุญคากับคริสกำลังออกเดินทางไปแล้วเราจะติดต่อกันได้ตลอดเวลาทั้ง3จุดระหว่างฝ่ายในแคมป์ฝ่ายที่กำลังเดินทางค้นหาและฝ่ายของนายพวกเราทางด้านนี้นะ่ะความจริงแล้วอยากจะไปที่นายด้วยกันทั้งนั้น แต่เราจะยึดปฏิบัติตามคำสั่งของนายอย่างเคร่งครัดรู้จักอย่างนั้นเสียบ้างก็ดีอัตราเสี่ยงมันจะได้น้อยลงและงานของฉันที่รับใช้พวกนายมาตลอด ก, ก็จะได้เบาลงบ้างและถ้ามันจาเป็นจริงๆขออย่าให้ใครวิทยุถามหรือคุยอะไรส่งเดตมาฉันกําลังรอรับฟังการติดต่อเท่าที่จําเป็นในด้านชี้นาทางสาหรับบุญคากับคริสต์อยู่ พันเอกแห่ง US Army เงียบเสียงไปในทันทีจากคำพูดคุณคุณของเขาและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สงบราบคาบโลกเซลส่วนนั้นเงียบกริบไปอีกครั้งระพินควักบุหรี่ออกมาจุดสูบนั่งเอาหลังพิงหินใกล้ๆตัวอิสซาเบลประมาณเกือบสิบนาทีต่อมาเขาก็ได้ยินเสียงวิทยุที่รีเสียงไว้พอได้ยินเบาๆแวรายงานขึ้นจากเสียงของคริสติน่าว่าเรืร่อรพิน ยินขณะนี้เราพบเป้าหมายแรกแล้วคือลำห้วยที่คุณบอกไว้เรากำลังจะบ่ายหน้าไปตามคำชี้บอกของคุณขอให้เร่งเวลาหน่อยและหวังว่าคงไม่ลืมเครื่องเวชภั์มาด้วยขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณกับบุญคำมาถึงที่นี่โดยปลอดภัยและเร็วที่สุดผมกำลังรอทั้งคริสและบุญคำจับทิศทางตามคำบอกเล่าของเขาได้ถูกต้องแล้วสังเกตจากเสียงวิทยุที่เคลียร์แจ่มใสชัดเจนดีที่สุด จอมพรานเริ่มลุกขึ้นไปหากิ่งมาและเทาวันแห้งๆมาสูงไฟให้เกิดเปลวลุกสว่างขึ้นอีกครั้งเพื่อรอคอยการมาถึงของคริสและบุญคำตลอดระยะเวลาจิตอดไม่ได้ที่จะหวนพะวงทิศไปถึงเรื่องราวในอดีตของตนกับดารินในบรรพชาติยากที่จะกระจัดออกไปเสียได้ภาพฝันนั้นมันกระจ่างแจ้งชัดเจนเหลือประมาณและเสียงของจิตรังคานาที่พูดกับเขาในฝัน ก็ยังก้ออยูนิโซ่ปราสาทเหมือนจะได้ยินอยู่เมื่อละหลัดนีเองมันก่อให้เกิดความปั่นป่วนยุ่งเหยิงแนรมไปหมดจนต้องพยายามคมระงับความรู้สึกให้อยู่ในสภาวะของความเป็นปัจจุบันการครั้นแล้วมิชามินานหูเขาก็แว่วเสียงกู่วู้วู้เข้ามาใกล้นั่นแสดงว่าบุญคานามคริสมาใกล้เป้าหมายแล้วอย่างมากคงห่างไม่เกิน50สเมตร จึงควาวิทยุขึ้นมาร้องกรอกลงไปว่ากูเอะอไปทำไมตะคำวิทยุมีไม่ใช้ถ้าเห็นที่หมายแล้วก็ตรงเข้ามาเลยเร็วๆ เ, เข้าครับครับบุญคำจะพาแม่มคริสขึ้นไปเดี๋ยวนี้เสียงแกพูดเร็วปรือมาทางวิทยุและชั่วม่กี่อึดใจต่อมาก็ปรากฏแสงไฟฉายเป็นลำส่องสว่างกราดเข้ามาจากบันไดด้านต่ำสุดของสิงหมอ ระพินออกไปยืนดักรับอยู่ก่อนแล้วพร้อมกับส่องไฟตอบเป็นสัญญาณให้เห็นเสียงบุญความร้องเบาวๆว่าเจอแล้วนายอยู่นั่นเองแล้วเงาของคนทั้งสองก็ไต่ตามบันไดหินเก่าแก่มีรอยแตกราแทบจะไม่เห็นว่าเป็นขั้นบันไดตรงขึ้นมาโดยเร็วและก่อนที่คนทั้งสองจะถึงบริเวณที่เขายืนรับอยู่ระพินกระบกมือเป็นสัญญาณมุนตัวกลับ เดินนำเข้าไปในบริเวณครูหาโดยไม่ชักช้าหรือพูดจากคำใดก่อนทั้งสิน้นคริสรวดเร็วฉับไวต่อเหตุการณ์เสมอหลอนปลาตรงไปยังเพื่อนสาวผู้นอนงายสงบนิ่งอยู่ในทันทีเปิดตะเกียงแบตเตอรี่ที่นำติดตัวมาด้วยขึ้นอีกดวงหนึ่งและวางปืนกับหีเครื่องเวชภัณฑ์ที่ถือติดตัวมาด้วยลงเริ่มสารวจสอบอาการของอิสซาเบลในฉับพลันทันทีในขณะที่รพินไพรวนันยกมือทั้งสองขึ้นเสยเส้นผม แล้วซุดตัวลงนั่งบนแง่หินใกลๆ้ๆส่วนบุญคำก็ซุดตัวลงนั่งราบลงอีกด้านหนึ่งของคนเจ็บส่งไรเฟิลขนาดหนักของเขาที่ถูกสั่งให้ถือติดมือมาไปให้ระพินรับมาวางไว้ข้างๆกายยังอัดก้นบุรีแดงว่าบอยเช่นนั้นระหว่างที่คริสกำลังสารวนอยู่กับการตรวจสอบอาการเบื้องต้นของเพื่อนสาวง่วนอยู่อย่างคล่องแคล่วด้วยสีหน้าเคร่งครึม เพงวิทยุจากฝ่ายนายจ้าส่วนใหญ่ก็เรียกมาอีกอยังร้อนใจหลอนพยักหน้าไปทางเขาบอกสั้นๆว่าช่วยตอบรับไปทีว่าฉันและบุญคํามาถึงแล้วเขาปฏิบัติตามคํำสั่งนั้นโดยแจ้งทางวิทยุไปให้ทางโนนทราบแล้วต่อท้ายประโยคด้วยคําพูดเรียบๆว่าอย่าเพิ่งซักถามอะไรในขณะนี้ก่อนนะครับคริสกําลังตรวจดูอาการของเบลอยู่ถ้ามีอะไรคืบหน้าก็โคงจะวิทยุแจ้งไปให้ทราบเอง ขอให้สงบใจรอคอยก่อนแม่นักเคมีฟิสิกส์สาผู้มีความรู้ในวิชาแพทย์อยู่เต็มเปีย่ยมเพียงแต่วิถีชีวิตถูกตัดขาดออกจากอาชีพหลักที่เรียนมาในชั้นต้นเพราะถูกยึดใบประกอบโรคศินนณบนัดนี้ปฏิบัติหน้าที่ของหล่อนอย่างไม่ทิ้งเวลาให้ล่าช้าไปเลยทุกอากับกริยาแห่งการเคลื่อนไหวปฏิบัติงานเต็มไปได้วยความระมัดระวังรอบคอบและมีสติมั่นคงดีมาก ไม่ได้เกิดความตื่นเต้นตกประมาทหรือแสดงอาการสะทกสะทานใดๆทั้งสิ้นนอกจากแววตาเครียดเคร่งเอางานเอาการเท่านั้นรือใจใหญ่ต่อมาหล่อนก็ปลดหูฟังหัวใจออกคล้องคอไว้หันไปสั่งบุญคําเรียบเรียบบุญคําออกไปนั่งยามระวังภัยอยู่หน้าปากทางก่อนไปแมมคริสไม่ต้กุอะไรหรอกตอนนี้ไม่มีอะไรมันโผล่เข้ามาเป็นอันตรายกับพวกเราที่นี่แน่นอน บุญคำอยู่ที่นี่จะได้ช่วยหยิบช่วยอะไรอีกมือหนึ่งแกพูดซื่อๆเพราะตามไม่ทันความคิดของคริสติน่าเมื่อนั้นหล่อนจึงเหลือบตาขึ้นมองดูหน้ารพินเป็นครั้งแรกพูดเบาๆเป็นภาษาอเมริกันว่ากรุณนาบอกคนของคุณให้ออกไปจากที่นี่หน่อยเถิดบุญคำไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ขณะที่ฉั้นเย็บแผลใต้อกของเบลไม่ใช่หรือหรือคุณคิดยังไง เกพินเองก็เพิ่งจะคิดขึ้นมาได้หันไปตบไหล่พรานเท่าคู่ใจของเขาพยักหน้าบอกว่าทำตามที่แมงคริสบอกเธอบุญคําแล้วก็ไม่ต้องถามอะไรอีกตาพรานเท่าเกาหั ว, หวกรากรักพึพรรมพำว่าไล่ไอคำเสรแล้วมันอะไรกันนี่หว่าแล้วแกก็ลุกขึ้นเดินออกไปยังปากโครงถ้ำตากําสั่งโดยดีพอพ้นระยะสายตาของบุญคําคริสหันไปนง่วนค้นอะไรอยู่ในหีเบเวชภัณฑ์ ปากก็บอกเขาต่อไปเบาๆว่าเอาละ่ะคุณช่วยแบะ อ, อกเสื้อเบลออกหน่อยสิแบะออกให้ตลอดเลยนะผมไม่ชอบแอบถอดเสื้อผ้าผู้หญิงในขณะที่เจ้าตัวหลับหรือหมดสติไม่รู้สึกตัวแด m มจคริสตวาด์ตเบาๆหันมาแยกเขี้ยวใส่เขาคุณทำดีมาตลอดแล้วสำหรับคืนนี้อย่าให้ฉันต้องมาหงุดยงิดเกิดโทราในสถานการณ์อย่างนี้หน่อยเลยมันใส่นะคุณกับเบลนะ่ะ ทะลุโ ป, ปร่แทบจะเห็นไส้เห็นคูงกันหมดแล้ววัาจริตพูดทวงเวลาอยู่ทำไมถ้าไม่คิดจะช่วยมันเร็วขึ้นก็ออกมาให้พ้นๆหน้าระฟินเลิกคิวขึ้นแล้วถอนใจเบาๆเ Take it e อ s ส m a ม m พึมพำเบาๆดังนั้นแล้วเขาก็ซุดคุกเข่าลงใกล้ๆจากการรูดซิทเสื้อแจ็คเก็ตของเบลออกด้วยมือนแผ่วเบา สองตาสีชมพูของอิสซาเบลก็เปิดโล่งปรากฏชัดอยู่กับแสงไฟแบตเตอรี่สองดวงที่วางอยู่ใกล้ๆคริสขณะที่ในมือถือเข็มฉีดยาอันเล็กๆเม้มริฟิปากนิดหนึ่งแววตาคุนๆเหลือบแวบมาที่หน้าเขาอีกครั้งสั่งหุ้นๆแต่เบาต่อมาว่าเอาไฟฉายช่วยส่องอีกดวงมันมองเห็นไม่ถนัดนะบอกบุรุษพยาบาลจาเป็นสักนิด ไหนไหนเราก็จำเป็นจะต้องร่วมมือกันแล้วและผมก็เป็นลูกมือคุณนั่นคุณกำลังจะทำอะไรตัดหน้าอกข้างนั้นของเบลทิ้งเพราะเห็นว่ามันใช้การไม่ได้แล้วงั้นหรือฉันไม่ต้องการอารมณ์ขันของคุณในระหว่างที่เพื่อนฉันเจ็บมากอยู่ในขณะ น, น, นี้ถ้าคืนพูดอะไรที่มันฟังไม่เข้าท่าเข็มฉีดยาอันนี้มันจะทิ่มเข้าไปในลูกตาของคุณดุบรรยเลยคืนนี้จอมพรานบ่เบ า, บา แต่คุณก็ยังไม่ได้บอกผมเลยว่าจะทำยังไงบ้างฉีดยาชาและเย็บแผลทันทีในขณะที่คนเจ็บยังนอนหมดสติไม่รู้สึกตัวแบบนี้นะหรือใช่เย็บให้เรียบร้อยเสียตอนที่ยังสลบอยู่นี่แหละคริสพูด้วนๆใช้มือเลิกฐานข้างนั้นของเบลขึ้นดูบาดแผลที่เขาซีนห้ามเลือดเอาไว้ด้วยยาห้ามเลือดแบบกาวหรือเจลลี่ที่แข็งตัวได้ ป้ายหลังป้ายเข้าไปตามแนวแผลทางยาวตามที่หล่อนสั่งให้เขาปฏิบัติในขณะที่ปฐมพยาบาลทางวิทยุระหว่างที่หล่อนใช้ยาฉีดเข้าไปตรงบริวเวณใกล้เคียงกับบาดแผลนั้นระพินพูดเบาๆ ว, ว่าเห็ซีน้าของคุณตอนนี้แล้วทําไมผมไม่ค่อยจะแน่ใจอย่างไรพีก่กรไม่แน่ใจในข้อไหนก็ในข้อที่เบละจะฟื้นขึ้นมาอีกหรือไม่น่ะสิถ้าฉันมีอารมณ์อยากจะฆ่าใครสักคนหนึ่งขึ้นเมื่อไหร่ คนที่ฉันคิดจะฆ่าก็คือคุณนั่นแหละไม่ใช่เพื่อนของฉันคนนี้รอกรู้ไว้ด้วยทำไมจะต้องฆ่าผมด้วยเขาถามเรียบๆไปเช่นั้นเองอย่างปราศจากความหมายอะไรคริสไม่ตอบอะไรอีกจัดการจิ้มเข็มฉีดยาอย่างาออคล่องแคล่องพอถอนเข็มออกก็หันไปตรวจวัดความดันโลหิตอีกครั้งเป็นการทวงเวลาให้ตัวยาออกฤทธิ์อึดใจต่อมาจึงค่อยๆบรรจงใช้เครื่องมือแพทย์เล็กๆ แทะขอบยาห้ามเลือดที่เกาะเป็นเส้นแข็งทับรอยแผลนั้นบรรจงดึงลากออกค่อยจับสังเกตสีหน้าอาการของคนเจ็บเห็นนอนสนิทนิ่งไม่รู้สึกอะไรเลย อ, อยู่ตามเดิมพอยาที่ผนึกปากแผลถูกลอกออกโลหิตก็ไหลซึมออกมาอีกส่งสำรีเร็วหล่อนสั่งเขาเหมือนเขาจะเป็นบุรุษพยาบาลจริงๆระพินเอาหลังมือขยีปลายจมูกแล้วใช้ปากคีบ คิปเอาสำรีที่ฆ่าเชื้อไว้แล้วในกล่องส่งให้คริสพยักหน้าสั่งต่อค อ, อยแตะซับเลือดไว้ในระหว่างที่ฉันเย็บรัฟินปฏิบัติตามโดยดีแล้วรีตาลงอย่างหวาดเสียวเมื่อเห็นปลายเข็มสำหรับเย็บบาดแผลและเส้นเอ็นชนิดละลายกลืนไปกับเนื้อได้เริ่มถูกสอยแทงเข้าไปในเต้าถานของอิซาเบลเหมือนเย็บวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เนื้อคน คริสลงมือปฏิบัติการในทางสัญญาแพทย์ของหล่อนอย่างประณีตขีดสุดและคอยร้องสั่งให้เขาใช้อีกมือหนึ่งที่ไฟสายให้ให้ตรงเป้าหมายเขาเพิ่งเห็นชัดๆกับตาเดี๋ยวนี้เองว่าแม่ผมทองผู้ถูกแนะนำรู้จักครั้งแรกว่าเป็นนักเคมีฟิสิกส์มีฝีมือในทางแพทย์และสัลญญากรรมตกแต่งชั้นผู้ชำนาญการพิเศษทีเดียวแต่เก็บที่หลอนบรรจงเย็บทีแคบมือเบาว่องไว และใช้ความระมัดระวังเต็มที่จนน่าจะเชื่อได้ว่าถ้าบาดแผลที่เย็บหายดีแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นเขาของแผลเป็นเอาทีเดียวเกือบ10บนาทีเต็มๆที่หล่อนใช้ความพิธีพิถันอยู่กับรอยบาทแผลนั้นแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเส้นเอ็นที่เหลืออยู่ออกภายหลังขงมวดปมไว้จากนั้นก็ถอนใจยาวเยื่อซุดกายลงนั่งราบกับพื้นเอาละ่ะใส่เสื้อคนเจ็บให้เรียบร้อย เบลจะฟื้นเมื่อไหร่เขาถามขณะที่ค่อยๆรูดสิบขึ้นถ้าคุณฉีดยาให้ถูกต้องทั้งชนิดและปริมาณที่ฉันสั่งมาอีกประมาณสามชั่วโมงเขาจะรู้สึกตัวขึ้นเองผมแน่ใจว่าผมปฏิบัติตามคำสั่งของคุณทางวิทยุโดไม่ผิดพลาดแน่นอนถ้างั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วว่าเดี๋ยวตัวคุณเองเถอะทาไมมีอะไรให้ฉันช่วยเย็บให้บ้างไหม มีแต่ไม่มีหมอคนไหนมาเย็บให้ได้หรอกเพราะมันฉีกขาดอยู่ในหัวอกนี่เขาพูดเสียงลึกตาเป็นประกายเข้มขณะที่ชี้ไปยังตำแหน่งหัวใจของตนเองเข้าใจละและก็ยอมเห็นด้วยในข้อที่ว่าไม่มีหมอคนไหนจะมาเย็บแผลใจให้คุณได้นอกจากหมอประจำตัวของคุณคนเดียวเท่านั้นราพิจจุดบริเวณอีกตัวแต่เขายังไม่ทันจะอัด คริสก็เอื้อมมากระตุกประจากปากเขาเอาไปสูบหนักน่วงเป่าควันให้ลอยคว้างขึ้นไปด้านบนอันดำมืดของสถานที่รานใหญ่จึงต้องหยิบขึ้นมาจุดอีกตัวหนึ่งแล้วบอกต่ ำ, ตำว่าเรื่องของเบลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแนละ้วใช่ไหมเดี๋ยวขอสูบุริอีกสักครึ่งตัวฉีดยากันบาดทะยังอีกเข็มก็เป็นอานเรียบร้อยเขอส่งวิทยุไปให้หลอน เมื่อไม่มีอะไรเร่งด่วนแล้วก็ติดต่อรายงานขายฝ่ายของคุณทราบขณะนี้พวกนั้นกำลังรออยู่และเขาก็ปฏิบาัตาิคำสั่งผมเป็นอย่างดีคือไม่พูดวิทยุสอบถามรบกวนมาเลยขอยแต่รอฟังข่าวจากทางฝ่ายเราเท่านั้นผมเชื่อ ว, ว่าพวกเขากำลังกระวนกระวายใจเรพินไม่อยากจะเอ่ยคำว่าขอบใจแต่ก็ต้องขอบใจสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในคืนนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเบล จอมร้านยักไหล ย, ยิ้มกร้นกานๆออกมานิดหนึ่งก็มันหน้าที่โดยตรงของผมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามคุณเองก็มีส่วนช่วยชีวิตเบลไว้มากทีเดียวที่ตาวไยเหลือเห็นเธอวิ่งเตลิดออกนอกแคมป์และสั่งให้ผมตามมาตลอดจนกระทั่งติดตามรักษาพยาบาลอยู่อย่างเดียวนี้ไม่ไ้เคมีฟิสิกส์สาวผู้ยังมีอารมณ์เงางอดกับเขาอย่างลึกลับมาตั้งแต่ตอนหัวค่ำของคืนนี้เอาหลังมือปาดเสยเส้นผมที่ปลิวลงมาปลกเหนียวคิ้วงาม จำเลิ่มไปทางเพื่อนสาวผู้ร่วมคณะนิดหนึ่งพึมพำอย่างสยองใจถ้าคุณตามเบลไปไม่ทันในตอนนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนี่คาตอบง่ายนิดเดียวเราจะไม่มีเบลในคณะอีกแล้วและจะตามไม่พบแม้แต่เศษกระดูกเพราะพวกมันมากเหลือเกินแต่ละตัวก็หิวจัดทั้งสิน้นเหตุการณ์ทางด้านคุณและเบลตอนนั้นคงรุนแรงมากนะก็อย่างที่รายงานไปให้ทราบแล้ว ลำพังไอหมาป่าทั้งกองทัพน่ะไม่เท่ายนักหรอกแต่ลูกปืนจากพวกคุณฝ่ายในแคมป์ได้ระเบิดเพลิงที่ขวางกระดกมาทําเอาผมกับเบลเกือบสุกไปเหมือนกันมันน่ากลัวยิ่งกว่าฝูงหมาพวกนั้นเะอีกคุณต่อว่าฉันรึไม่ได้เจอะจงต่อว่าคุณคนเดียวรอก็ทั้งคณะพวกคุณรวมทั้งฝ่ายพรานและลูกหากของผมนั่นแหละกระสุนเฉียวผมกับเบลไปอย่างกระหาฝน ไม่รู้เราสองคนรอดพ้นลูกปืนไม่ได้ยังไงแต่เอาล่ะเราไม่ต้องพูดเรื่องนี้กันอีกตอนนั้นมันชุลมุนขีดสุดและพวกฝ่ายคุณก็ต้องระดมยิงหนักป้องกันไม่ให้พวกมันเข้าถึงตัวแต่ถึงงั้นก็ยังถูกมันกัดเอาหลายคนไม่ใช่หรือกล่าวจบประโยคระพินก็หัวเราะฮือๆดีดเท้าบุรีเป็นลูกไยกระจายอยู่ริมกายข้างหนึ่งระหว่างที่คริสนั่งเอื้อมมือไปลูบคลามตามใบหน้าของแม่เพื่อนสาวอย่างเวทนานั้น เขาก็เอ่ยตามๆต่อมาว่าผมเคารพนับถือน้ำใจพวกคุณอยู่ในข้อหนึ่งแม่ผมทองขมวดคิ้วนิดหนึ่งปลายหางตา ม, มาทางเขาอะไรดูผ่านๆในเวลาที่ไม่เกิดวิกฤตการณ์อะไรขึ้นพวกคุณก็เป็นพวกที่เหมือนจะไม่ค่อยสามาัคคีกันนะประเดียวคนนั้นลินทาคนนี้ประเดียวคนโน้นด่าคนโน้นแต่พอเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้น พวกคุณก็มีความสามัคคีรักใคร่มีความห่วงใหญ่และให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างดีที่สุดหล่อนยักไหล่บ้างก็คงเหมือนความรู้สึกที่เราเคยมีต่อคุณมาแต่ไหนแต่ไรกระมังความรู้สึกยังไงเห็นแก่ตัวสามหาวก้าวร้าวไม่น่าไว้วางใจเข้มเลือดเย็นและน่าจะเป็นภัยกับฝ่ายเราทุกคนหากได้โอกาสแล้ว รับพินตะแคงหูเอียงหน้าเร่งคำพูดต่อมาอย่างกังขาแต่แกนแท้จริงใจของคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมนุษยธรรมกล้าหาญเสียสละอย่างที่เราคิดไปไม่ถึงนะสิทีนี้รู้สึกมั่งหรื อ, อยังว่าค่าจา้างที่พวกคุณให้ผมนะ่ะมันถูกมากเลยเราได้จ่ายให้แกคุณตามเรียกร้องของคุณเองนะและทาไมถึงบ่นว่ามันถูกไป จริงผมดันเรียกราคาถูกเองระพินลานเอ่ยเรียกนามเขาชัดเจนจนเกือบเหมือนคนไทยคนหนึ่งราคาค่าจ้างนะ่ะมันไม่มีความหมายอะไรนรักหรอกแต่คุณค่าทางน้ำใจระหว่างเราทั้งสองฝ่ายมันสูงกว่านั้นมากนะักฉันในนามของพวกเราทุกคนกล่าวอย่างสัตย์จริงว่าเราได้มีโอกาสพบกับคนที่มีน้ำใจและอุดมคติประจาใจประเสริฐสุดชนิดหาไม่ได้ในโลกนี้ และขอเน้นว e. ่าในความรู้ส <Yeah. S 2> ึกด mm ้านส่วนตัวของฉันเองขอภาคภูมิใจให้แก่สุภาพสตรีคนหนึ่งที่ได้รับความรักภักตีจากคุณไปเธอผู้นั้นเลือกผู้ชายไม่ผิดแล้วคำพูดประโยคหลังทำให้ราพินนั่งก้มหน้าซึมเศร้าไปชั่วขณะจิตคริสสังเกตเห็นด้วยความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ถามแผ่มาอย่างกังวลว่า Did I say anything hurt you เขาสั่นศีษะฝืนยิ้ม No thank you คริสติน่าจ้องหน้าเขาอีกแว บ, บหนึ่งแล้วหยิบวิทยุขึ้นกรอกคำพูดลงไปคริสเรียกทุกคนโอเคได้ยินพวกเรากำลังรอฟังผลรายงานคืบหน้าผู้ตอบสวนมาอย่างรีบร้อนเป็นเสียงห่าของหัวหน้าคณะซึ่งดูเหมือนจะคอยรับรายงานอยู่อย่างกระวนกระวายใจทางด้านโน้นโปรจะเป็นห่วงทางด้านนี้แม่ผมท้องให้การรายงานเรียบๆช้าๆ ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเกี่ยวกับอาการของเบลบาดแผลค่อนข้างสกสารก็จริงแต่ก็เย็บเรียบร้อยแล้วขณะ น, นี้นอนพักหลับสนิทจะรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งอีกประมาณ3มชั่วโมงข้างหน้าจําเป็นต้องให้น้ําเกลือหรือเปล่าไม่จําเป็นเบลเสียเลือดแต่ไม่มากนะักและไม่มีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนแน่ใจไหมว่าถ้าฟื้นรู้สึกตัวแล้วเบลจะเดินทางกับเราได้ตามปกติหรือว่าจะต้องพักฟื้น ได้ถามต่อมาโดยเร็วต้องรอดูอาการภายหลังจากฟื้น อ, อีกครั้งแต่เชื่อแน่ว่าคงปฏิบัติการได้แม้จะไม่คล่องตัวนะักคงไม่ถึงกับต้องนอนพักให้เสียเวลารวพินละตรวจ ด, ดูเขาด้วยเขาอาจไม่บอกเราขณะที่พูดวิทยุก็ได้เธอไปถึงแล้วควรตรวจให้ละเอียดคีดสสวนมาในวิทยุบ้างอย่างเป็นห่วงไม่มีอันตรายใดๆจากป่าและภัยมืดมาทตรายคนคนนี้ได้ หลอนพูดเนิบช้าขณะที่มองหน้าเขานิ่งยกเว้นโรคจิตประสาทประจำตัวของเขาเองเท่านั้นซึ่งไม่มีใครดูแลให้ได้เขาจะต้องปรับจิตใจของเขาให้เข้มแข็งเองเกี่ยวกับเลิฟซิตแต่เท่าที่สังเกตนี่เขาก็ซ่อนเร้นไว้ได้อย่างเข้มแข็งมากเชื่อได้ว่าจะทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศน์นำทางพวกเราต่อไปได้อย่างมีสมรรถภาพจนกว่าฝ่ายเราจะทนไม่ไหวเองและออกคาสั่งให้เขานาทางกลับ วิเศษสุดนั่นคือสิ่งที่เราต้องการและขอยกย่องสรรเสริญเขาสแตนลีย์พูดมาได้น้ำเสียงกล้องกังวานว่าแต่ระหว่างเราสองฝ่ายขนาดนี้เวลานี้จะทำอย่างไรกันต่อไปคริสยื่นวิทยุให้เขาบอกว่าคุณควรจะพูดกับพวกเราทางด้านโน้นเองจอมพรานิีวิทยุขึ้นมากดคีย์เหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงเศษตะวันจะฉายแสง หากอากาศในบริเวณนี้เปิดตามปกติสภาพของมันแม้จะเหลือเวลาเพียงน้อยนิดผมก็อยากให้ทุกคนพักเอาแรงไว้ก่อนเราทั้งสองฝ่ายจะพบกันเมื่อตะวันขึ้นแล้วขณะนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องเร่งรีบแล้วอ้อผมขอพูดกับคีนเนลคิดหน่อยประโยคท้ายก็ถามหานิคิดกำลังฟังอยู่แล้วมีอะไรหรือเจอเสียงคิดอ้าวออกมาจากลาโพงสิว คิดได้มีระเบิดประเภทระเบิดหินหรือระเบิดในทางวินาศกรรมติดมากับสัมภาระด้วยหรือเปล่าคิดเงียบไปกึ่งอึดใจแล้วอู้อีบอกมาว่าถ้าบอกแล้วอย่าด่ากันอีนะเว้ยเพราะไม่ได้แสดงรายการไว้ให้หนายรู้เออไม่ได่าหรอกมีมาด้วยใช่ไหมก็พอมีเป็นการตอบมาอย่างอ้อมแอมไม่เต็มปากนะมากน้อยขนาดไหนนายจะเอาซักเท่าไหร่ล่ะ ถามว่ามีติดตัวมาด้วยสักขนาดไหนเขาตะอคอกถามออกไปเกือบเป็นตะหวาดคราวนี้เสียงของคิดจริงจังเป็นงานเป็นการขึ้นแสดงว่ายินดีเปิดเผยโดยไม่ปิดบังก็พอจะระเบิดภูเขาขนาดย่อมๆให้ราเป็นหน้ากลองได้สักสองสามลูกถ้าจะเป็นเสียงเชิดวุฒสบทสอดมาเบาๆในเครื่องรับเะพินไม่สนใจแต่สอบหารายละเอียดต่อไปว่า เราอาจมีความจําเป็นจะต้องใช้มากนะคิดฉันจึงขอทราบปริมาณหน่อยเท่าที่เห็นในกรสัมภาระฝ่ายนายก็มองไม่เห็นเออน่าจะมากสักแค่ไหนฉันก็มีบริการให้นายได้ทั้งนั้นแหละเป็นระเบิรพิเศษน้ำหนักรวมกันแล้วแค่2ปอนด์เท่านั้นแบ่งแยกออกใช้ได้มากน้อยตามต้องการแต่ละส่วนน้ำหนักของมันที่จะใช้งานนั้นจะแรงเป็น100เท่าของ TNT ในปริมาณน้ำหนักที่เท่ากัน แล้วกรรมตาภาพรังสีที่มันจะตามมาภายหลังใช้ระเบิดล่ะเขาร้องออกมาอย่างตกใจรับรองว่าไม่มีผลร้ายทางกรรมตาภาพรังสีร็อกจะทําลายเฉพาะที่เท่านั้นไม่มีพิษตกค้างที่ป่าปนไปกับอากาศฉันจะมอบหมายให้นายเป็นคนใช้งานตามแต่จะสั่งนะและนายต้องรับผิดชอบด้วยนายเป็นผู้ชํานาญการอยู่แล้วไม่ใช่หรือเออน้าขอใสั่งมาเถอะว่าจะให้ยัดเข้าไปที่ไหน ถ้างั้นทุกคนฟังขอสั่งไว้เสียตอนนี้เลยเมื่อรุ่งสว่างแล้วขอให้เกิดและเสยนําเอาพวกลูกหาวทั้งหมดรวมทั้งสัมภระเคลื่อนขบวนมาที่นี่ได้เลยพวกนั้นจะนําทางมาได้ไม่ยากส่วนด็เตอร์ตัวนายเองเชิดวุฒรอฉันอยู่ที่ต้นไซใหญ่นั่นก่อนจะมีจันอยู่เป็นเพื่อนขอให้เอาระเบิดไว้ที่นั่นก่อนด้วยฉันจะเดินสวนกลับไปหาที่แคมป์ เราจะต้องทำงานกันสักอย่างหนึ่งตรงนั้นเป็นชิ้นแรกในเช้าวันนี้เข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจทวนคำสั่งฉันบ๊อบเชิร์ดวูดและจยนอยู่ที่แคมป์นี่ก่อนเออเกิดเสยและลูกหาบทุกคนขนสัมภาระไปะยังที่นายอยู่เดี๋ยวนี้เออแล้วตัวนายเองก็จะเดินสวนทางกลับมาที่แคมป์ถูกต้องแต่ให้เอาระเบิดไว้ด้วย และทางด้านโน้นบุญคํากับคริสละบุญคํากับคริสและเบลจะพักกันอยู่ที่นี่ก่อนระหว่างฉันย้อนกลับไปยังแคมป์พวกที่ล่วงหน้ามาก่อนจะมาสมทบกับสามคนทางนี้ระหว่างที่ฉันคนเดียวสวนทางกลับไปยังแคมป์เข้าใจเข้าใจในคําสั่งโวยแต่ไม่เข้าใจในความหมายแล้วรู้เองเมื่อฉันไปถึงฉันมีงานที่ต้องทําเล็กน้อยตรงแคมป์เรานั่น พอทำเสร็จแล้วก็จะย้อนกลับมายัางพวกเราทั้งหมดทางด้านนี้แลยงานที่ฉันจะต้องทํานั้นต้องการให้ดร์สแตนลีย์เชิร์ดวุฒ์อยู่ร่วมมองเห็นอยู่ด้วยส่วนนายนั้นเป็นมือวิศวกรอับปรีที่จะต้องจัดการกระเบิดตามข้อแนะนําของฉันความจริงลําพังนายกับฉันสองคนจัดการธุระยอยู่ที่แคมป์ก็ได้แต่ระหว่างที่ฉันยังเดินทางไปไม่ถึงก็อยากจะให้มีเพื่อนอยู่กับนายด้วยความจริงอยากจะให้หนายรอฉันอยู่คนเดียวพร้อมระเบิด แกลัวว่าพอฉันไปถึงนายอาจจะหายไปจากโลกนี้เสีก่อนเลยให้มีเพื่อนท่านที่จําเป็นอยู่ด้วยพูดเป็นปริศนามันจะเอายังไงของมันกันว่ะในคิดบนไม่ต้องบ่นและไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้นเข้าใจแล้วก็ทําตามที่สั่งแล้วกันอีกไม่นานเราจะพบกันที่แคมป์ตอนนี้หูบปากได้แล้วฉันขี้เกียจจะพูดวิทยุตกลงระพินเราเข้าใจตามแผนของคุณแล้ว ว่าเดีตอนนี้คนฝ่ายนี้จะเดินทางฝ่ายและคุณจะเดินทางตาละพังคนเดียวกลับมายังแคมป์เราจะนัดแนบเวลากันยังไงสแตนลี่ถามมาอย่างผู้ใหญ่ก่อนออกเดินทางทั้งสองฝ่ายผมจะใช้วิทยุติดต่อให้ทราบอีกครั้งเอาล่ะทราบถ้างั้นเลิกการติดต่อชั่วคราวแล้วพบกันใหม่จบคําพูดเขาก็ปิดวิทยุในมือของตนแล้วเอื้อมมือไปกระชากวิทยุจากมือของคริสมาปิดเซ็เครื่องหนึ่งด้วย บอกเบาๆว่าปิดมันซะเถอะคริสเรื่องฐานเปล่าเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้วิทยุติตดต่อกันแ้วกันอีกมากนะอย่ามัวแต่คุยในเรื่องไม่จำเป็นอยู่เลยคุณไม่ต้องกลัวฐานหมดรอกนายพรานฐานประจำเครื่องมือถือทุกเครื่องมีอายุใช้งานชนิดเปิดตลอดเวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนและถ้าจำเป็นจริงๆหากฐานมันอ่อนลงไปแม้เราจะไม่มีเครื่องชาร์จไฟมาด้วย ถอดฐานออกมาตากแดดแรงๆมันจะเรียกเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์เข้าม า, าสะสมไว้เหมือนการชาร์จด้วยเครื่องไฟฟ้าเหมือนกันเขาจำเืองมองด้วยหางตาเครื่องมือเครื่องใช้ของพวกคุณมันพิเศษและวิเศษกว่าปกติสภาพทั้งนั้นและก็ค่อยๆคายให้รู้ออกมาเป็นลาดับน่าเสียดายอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเสียดายอะไร เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก้าวล้ำยุคทั้งนั้นที่ขนมากันนี่เรียกว่าสุดยอดของสื่อราชการลับที่ประเทศของคุณมีใช้อยู่ทีเดียวแต่ไม่มีอยู่อย่างเดียวคือไม่มีเครื่องมือที่จะค้นหาซากเครื่องบินตกได้จนต้องมาจ้างพรานป่าเดินดินอย่างผมให้ออกค้นหาคริสยิ้มแค้นตอบมาทันทันกันว่าก็พรานป่าเดินดินกินใบไม้อย่างระพินไพรวัน มีความสามารถเหนือกว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของเรานีนะเดินเข้าไม้นี้จอมพรายก็จานวนอึ้งไปเหมือนกันคริสตินาคมกริบในด้านวาจาเสมอคมและเท่าทันเขาใกล้เคียงกับคุณหญิงดารินของเขามากจนไม่อยากจะอยู่ใกล้ต่อปากต่อคํากับคริสก็จะหวนคิดไปถึงยอดรักทุกครั้งคิดมาถึงตอนนี้ก็สะท้อนถอนใจ แม่ผมทองยกมือขึ้นดีดแรงๆเป็นความหมายเรียกบุญคำซึ่งออกไปนั่งจ้องอยู่เฝ้าปากทางแต่เท่ามือขวาของรพินอันเป็นเงาตะคุ่มอยู่เหลี้ยวมาหลอนก็เผลอร้องสั่งออกไปเป็นภาษาเดิมของตนว่าเฮ y hey, ค o m e in! นบุญคำเดินเข้ามาแยกเขี้ยวยิ้มบอกมาว่าเรียกบุญคำหรือจะเรียกไอ้คำก็ได้แมมไม่ต้องเรียกอินร็อก ไห้คำกับพี่อินนะมันคนละคนกันแล้วตอนนี้พี่อินก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยแม่ผมทองหัวเราออกมาขันขันได้เป็นครั้งแรกขอโทษฉันหมายถึงบอกให้บุญคำเข้ามาได้แล้วไม่ได้เรียกชื่ออินอะไรรอกแล้วคนที่ชื่ออินมีด้วยหรือในพวกเราพวกเรานะไม่มีรอกแต่มีครูพรานที่ชื่อหนานอินอยู่อีกคนหนึ่งแกไม่ได้มาด้วยบุญคายังสงสัยว่าแม่ไปเรียกพี่อินทาไม เป็นยังไงเสร็จสับเรียบร้อยโอเคซิกาเรตประโยคหลังแกดอภาษาฝรั่งโอเคเฉยๆไม่ได้มีซิการเรตด้วยหรอซิการเรตอยู่ในกระเป๋าของนายรพินแกขี้เหนียวชะมัดไม่ค่อยจะงัดออกมาแจกสูบกันบ้างเลยของฉันก็ลืมทิ้งตกหายไปไหนก็ไม่รู้หลอนพูดยิ้มยิ้มเมียาการปลอดโปร่งใจขึ้นบนความุดตัวลงนั่งราบข้างๆเลื่อมมือไปจับแขนอิสเบลยางถือสนิทและเป็นห่วง ครางออกมาสงสารแมมเบลนะนอนนิ่งอย่า ก, กับคนตายดีที่ตัวยังอุ่นอยู่นี่ไม่ตายแน่นะแมมคริสไม่ตายรอกรับรองว่ายังแก้ผ้าอาบนะ้ให้บุญคันดูไปได้อีกนานแม่ผมทองพูดอย่างเท่าทันและด้วยอารมณ์ล้อเลียนอย่างสนิทสนมบุญคำเอามือลูบหัวเกรียนเส้นผมคอติดน้งศิสาของแกบนอู้อี แมมแม่คริสแล้วก็แม่พายบุญคำเห็นก็แมม่เบลคนเดียวเมื่อไรแมม่คริสก็ด้วยอีกคนคริสติน่าหัวร้อยครั้งมองหน้าระพินบอกว่าไม่เลวนะลูกน้องเท่าของคุณคนนี้ทั้งแหลมทั้งคมไม่แพ้นายใครบอกของบุญคำทั้งทู่ทั้งป้านวั t ติท h มิ e a n คริสติน่าตื่นหันมาถามระพินผู้ซึ่งขยับเท้าแต่ต่เท่าจอมสับประดกไว้ทัน รีบขยับตัวออกห่างพ้นรัศมีขาของเขาซะ ก, ก่อนเดีย๋ยวไปสนใจอะไรกับแกเลยคริสบุญคำก็เหมือนขี้กรากนั่นแหละถ้าเล่นด้วยแกก็ลามใครบอกนายว่าบุญคำเป็นขี้กรากเป็นสังครงตะหาขันกว่าขี้กรากอีกว่าแต่แหมมเบลโดนเย็บเข้าไปกี่เข็มละความจริงแหมมไม่ต้องมาก็ได้ให้นายเย็บให้ก็ได้เข็มของแกก็มี แต่บางทีมันจะโตแล้วก็ทื่อไปหน่อยหุบ ป, ปากได้แล้วตาคำเดี๋ยวโดนก้อนหินเข็นกระบาลหรอกระพินชีนะ้หน้าทำหมึงตา ม, มาจะแตกฉาในด้านภาษาไทายสักเพียงไหนก็ตามแต่ไม่ใช่ภาษาพ่อแม่ของตัวเองคริสจึงจับความหมายไม่ได้และก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกหลอนเริ่มหันมาให้ความใส่ใจกับสถานที่เป็นครั้งแรกใช้ไฟฉายประจาตัวส่องดูไปรอบๆเ อ, อ่ยออกมาว่า นี่ลักษณะแปลกมากนะมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างของเมืองโบราณอย่าเพิ่งไปส่องดูอะไรให้เสียเวลาเลยคริสไว้ให้ตะวันขึ้นซะก่อนเราจะเห็นชัดกว่านี้ส่องไฟมันก็เห็นแค่ตะคุ่มตะคุ่มลางๆเท่านั้นดูอะไรไม่ได้ชัดรองและเราไม่มีเวลาสำรวจกันในตอนนี้คุณได้หลาพักนอนบ้าหรือเปล่านี่หลังจากม้าป่าเข้าโจมตี หลอนสันศรีรษะเอ็นกายเอาหลังพิงหินลักษณะแท่นยางอ่อนแรงคนอื่นเขาอาจหลับไปได้บ้างนะตอนที่ลงมานอนกันใต้ต้นไม้แล้วแต่ฉันหลับไม่ลงเป็นห่วงเบลแล้วเกินก็เลยแต่ดูดนาฬิการอคอยเวลาที่คุณจะอนุญาตให้เดินทางมาก็ดีที่มีใจเป็นห่วงและรักกันจริงผมเห็นในเวลาปกติคุณหมั่นไส้เบลจะตาย ร่วมตายมาด้วยกันแบบนี้แล้วถ้าไม่รักกันจริงก็มาด้วยกันไม่ได้หรอเบลอาจทำอะไรให้ฉันหมันไส้ยอยู่บ้างเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่เคยถือสาฉันรักเขาเหมือนน้องสาวคนหนึ่งในชุดของเราทั้งหมดสี่คนเขาอายุน้อยที่สุดแล้วก็เป็นคนมีฝีมือที่สุดเหมือนกันในวิชาการแข่งที่เขาถนัดคุณช่วยเขาไว้ได้คราวนี้ก็นับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งแล้ ว, ลวตอนที่คุณเจ็บป่วยอยู่ เบลก็ได้ช่วยคุณมาแล้วหลายครั้งอย่างเต็มใจที่สุดฉันเสียอีกไม่ค่อยได้ดูแลคุณเสียเท่าไรนักหรอข้อ น, นั้นผมรู้และระลึกถึงบุญคุณอยู่เสมอระบินก้มหัวลงนิดหนึ่งได้ถ า, ถามจริงๆเธอเบลมีความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาและโบราณศาสตร์เป็นอย่างดีด้วยใช่ไหมใช่ถ้างั้นเขาจะช่วยเราได้มากทีเดียวเกี่ยวกับซากเมืองโบราณนี รูปนี้ถ้าเขาเป็นปกติพอมีแรนที่จะร่วมทางกับเราได้โดยไม่ต้องนอนพักฟื้นเราจะต้องสำรวจอจาณาจักรลึกลับแห่งนี้สำคัญที่สุดก็คือเรื่องสุสานเก็บมัมมี่เก่าแก่ซึ่งเราจะต้องหาทางถล่มปิดทางเข้าออกการไม่ให้เวทมนต์ของมันไตร่นำอัศว์ซากศพที่มีอยู่ตามสุสานขึ้นมาก่อกวนอารวาสออกกับเราเหมือนๆที่มันไปขนมาเป็นกองร้อยอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้ว คุณคิดจะสำรวจสุสารในอาณาจากักรลึกลับนี้ให้ทั่วทีเดียวหรือมันอาจเป็นความคิดที่โง่ไปบ้างแต่ก็ไม่มีวิธีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วในสติปัญญาขนาดผมเราค้นหาได้เท่าที่จะพบแล้วก็ระเบิดหินปากทางทลายให้ลงมาปิดกั้นซะให้หมดตัดกำลังเรื่องกองทัพผีดิบของมันให้น้อยลงไปขณะนี้เราเข้ามาอยู่ใจกลางอาณาจักรของมันแล้ว มันจะแหย่ยกขยงออกมาอีกเท่าไรก็ยังไม่รู้ระพินกล่าวอย่างหนักใจมิน่าละ่ะคุณถึงได้ถามหาระเบิดจากคิดเมื่อครู่นี้ความจริงตามคำบอกเล่าของคุณคุณกับคณะที่เคยเดินทางผ่านมาก่อนก็ผ่านนครโบราณแห่งนี้มาแล้วไม่ใช่หรือแต่ฉันสังเกตเห็นคุณมีอาการไม่แน่ใจและงงๆอยู่มากเมื่อบ่ายนี้ตอนที่เราเดินตัดทุ่งมา จอมพรานเสยปีกมัวขึ้นไปกองอยู่กลางศีรษะทอนใจเหือกมันจะต้องเป็นอาณาจาักรที่กว้างใหญ่ไพศาลมากและที่เราพบกันนี่อาจเป็นอีกส่วนหนึ่งกับที่ผมเคยพบมาแล้วซึ่งในสมัยนั้นดูว่ามันไม่ใหญ่โตอะไรนะแต่จะรากครูเมืองสิ่งสลักหักพังและโบราณวัตถุที่เราเห็นกันอยู่นี่มันหมายถึงมหานครซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางมากทีเดียว ผมว่าอาจเ้่าเท่ากับเมืองนิวยอร์กของพวกคุณก็ได้ครั้งก่อนนั้นผมอาจพบเพียงหนึ่งในร้อยส่วนของตัวเมืองใหญ่เท่านั้นไม่ทราบเบลจะบอกได้ไหมว่าอายุของมันนานมาสักเท่าไหร่แล้วไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอให้เขาได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาซะก่อนผมว่าคุณงีบซะหน่อยดีไหมเรายังมีเวลาอีกมากพอควรก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างอื่นต่อไปแล้วคุณล่ะ ผมได้หลับมาบ้างแล้วหลับอย่างสนิทจริงๆคุณนอนเถอะไม่ต้องกังวลอะไรผมจะดูแลให้เองปรึกษาหารือหรือคุออยอะไรกันตอนนี้มันก็ยังไม่มีประโยชน์หรอกตกลงหลอนบอกอย่างว่าง่ายแล้วยกมือกอดอกเอศีษสาพิงแท่นหินลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอนเงียบเสียงพูดไปในบัดดลภายในโพรงถ้มใต้หินใหญ่รูปสิงหมอบ ซึ่งมีคริสและบุญคำเข้ามาสมทบเพิ่มเติ ม, ตมรวมแล้วเป็นสี่คนบัดนี้อยู่ในภาวะสงบเงียบไปอีกวาระหนึ่งบุญคำเองก็ลงทอดกายนอนพักโดยไม่กล้าชวนเจ้านายผู้จาหรือคู่ยุซักถามอะไรมาอีกทั้งสิน้นพรานใหญ่นั่งพิงหินอยู่อีกมุมหนึ่งไม่มีใครทราบว่าเขาหลับหรือตื่นอยู่ในขณะนี้แต่เกียงแบตเตอรี่ดับ คงมีแต่กองไฟที่ก่อให้ความอบอุ่นไว้ใกล้ๆร่า ง, างอนนอนสงบนี่ของอิซาเบลเท่านั้นครั้นแล้วแสงสว่างลางๆของยามอรุณก็เริ่มปรากฏอยู่ยังปากโพรงถ้ำด้านนอกท่ามกลางละอองบางๆของกลุ่มหมอกเสียงออดจากวิทยุของฝ่ายนายเจ้าที่ยึดแหล่งพักกันอยู่ยังตำแหน่งเดิมขณะ น, นี้ดังปลุกเรียกขึ้นอีกรพินหยิบขึ้นมาเปิดทันที ขณะนี้6นาฬกาสานาทีโปรดตรวจสอบกับเวลาของคุณว่าตรงหรือไม่เสียงผู้แจ่มใสกังวานชัดเป็นเสียงของดรสตลีของผมช้าไปสองนาทีจะปรับตั้งให้ตรงกันเดี๋ยวนี้แหละครับทางโน้นพร้อมแล้วยังทางด้านเราเตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปยังตำแหน่งของคุณขอทราบสภาพของอากาศบริเวณของคุณด้วย มีแสงสว่างพอสมควรและหมอกลงบ้างเล็กน้อยทั้งด้านโนล่ะครับเหมือนกันมีละอองหมอกบางบางแต่ไม่คิดว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรมากเราจะเริ่มต้นกันเดี๋ยวนี้หรื อ, อยังไงครับเพื่อประหยัดเวลาเราจะเคลื่อนไหวตามที่ได้นัดแนะ ก, กันไว้แล้วเดี๋ยวนี้เลยขอผมพูดกับเกิดหน่อยขาดเสียงเขามีนานก็มีเสียงฟานหนุ่มของเขาดังออกมาครับนาย เกิดกับเสยนำทางพวกลูกหาพร้อมสัมภาระทั้งหมดเว้นบางส่วนที่หนายห้างคิดจะต้องเอาไว้ที่นั่นก่อนเดินทางมาที่นี่ได้เลยที่ต้นสายนั่นจะเหลือเพียงนายห้างบ๊อในายห้างคิดนายทหารเชิดวุตและจันเพียงสี่คนเท่านั้นเข้าใจไหมแล้วนายก็จะเดินส่วนมาที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมจะไปตามคาสั่งเดี๋ยวนี้แหละด็อกเตอร์จะสั่งยังไงต่อไปว่ามา เพื่อไม่เสียเวลางมหาแหล่งกันอยู่ผมขอวิทยุจากพวกคุณหนึ่งเครื่องมอบให้เกิดหรือเสรยคนใดคนหนึ่งมาด้วยจะได้ใช้วิทยุติดต่อสอบถามทิศทางกับบุญคำเป็นการประหยัดเวลาและขอให้ทุกฝ่ายเปิดวิทยุสแตนบายไว้ตลอดเวลาเพื่อรับฟังข่าวได้ทุกด้านส่วนผมเองก็จะออกเดินทางเดียวนี้เหมือนกันตกลงขณะนี้เกิดกับเสรยนาพวกลูกหาเคลื่อนที่แล้วนะครับดีมาก ต่อไปแล้วเรียกจันท์ขึ้นเลยลอยซึ่งเชื่อว่าคงจะรวมพวกอยู่ใกล้เคียงฝ่ายนายเจ้าด้วยซึ่งจันทร์ก็ตอบรับมาทันทีจึงสั่งการไปว่าจันท์อยู่เป็นเพื่อนทั้งสาคนนั่นก่อนเชื่อว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงฉันจะไปถึงที่นั่นพระรับนายไม่ต้องห่วงทั้งนี้ระหว่างการใช้วิทยุโต้ตอบคริสตินาขยับตัวขึ้นมานั่งตรงมันเป็นเวลาเดียวกับที่รพินคว้าไรเฟิลตะหวัดเป้หลังขึ้นลายเตรียมออกเดินทาง คุณจะบอกฉันสนิทไม่ได้หรือว่าคุณจะเดินทางกลับไปพบพวกเราที่คุณให้คอยอยู่ที่นั่นก่อนเพื่ออะไรล่อนถามเบาๆภายหลังจากเก็บความสงสัยไว้นานแล้วรับพินยิ้มให้นิดหนึ่งประเดี๋ยวผมจะวิทยุมาบอกให้ทราบเองผมไปก่อนแล้วนะคริสทางนี้บุญคำจะอยู่เป็นเพื่อนคุณหน้าที่ของคุณตอนนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าดูแลเบลและรอคอยพวกเราชุดแรกที่จะเดินทางมาสมทบที่นี่ แล้วหลังจากนั้นผมกับอีกสี่คนก็จะกลับมารวมกันที่นี่อีกครั้งใช้เวลาทั้งหมดไม่เกินหนึ่งชั่วโมองเป็นอย่างมากเชื่อว่าเมื่อผมกลับมาถึงที่นี่อีกครั้งเบลคงจะรู้สึกตัวขึ้นแล้วอา้าฝาก m เ6กระบอกที่ผมถือติดมือมานี่ไว้ที่คุณด้วยตอนนี้คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้แล้วสำหรับผมโชคดีและขอให้นาพวกนั้นกลับมาที่นี่โดยเร็วเมื่อเสร็จสิ้นภาร ก, กิจที่ยังไม่ยอมเปิดเผยของคุณ แม่ผมทองกล่าวเรียบเรียบขณะที่เดินออกมาส่งเขาหน้าปากโครงถ้ำใต้อกของหินใหญ่รูปสิงหหมอบระพินก้าวเดินลงไปตามขั้นบันไดนั้นโดยเร็วพอลงมาเหยียบยืนอยู่พื้นลุ่มลุ่มดอนดอของป่าเถาวันด้านล่างเง้ยนกลับขึ้นไปอีกครั้งยังเห็นคริสยืนมองเขาอยู่ตรงนั้นจึงตะโกนสั่งความขึ้นไปว่าคริสระยะเวลาที่ผมและพวกเราทั้งหมดยังไม่มาถึงที่นี่ คุณกับบุญคำอยู่เฝ้าเบลเฉพาะบริเวณที่เราพักกันอยู่ก่อนนะอย่าได้พยายามสำรวจไปยังที่ใดเป็นอันขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมุติว่าคุณจะตรวจพบโพรงหรือซอกถ้ำที่มีทางเดินลงไปได้ก็อย่าเพิ่งลงไปก่อนอย่างเด็ดขาดเข้าใจไหมหล่อนโบกมือตอบโอเคจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดระพินแตะปีกหมวกแล้วหันหลังให้ เดินเลาะลัดตัดทิศทางไปในราวป่าทึบโดยเร็วภายหลังกว่าตามองดูพื้นภูมิประเทศอยู่แค่อึดใจเดียวเขาจะหาทางตัดทางไปให้ถึงจุดหมายเดิมโดยเร็วที่สุดชนิดที่ไม่จําเป็นจะต้องอาศัยเส้นทางในลําห้วยที่เผ่นหนีกันมาตามบุญตามกรรมเมื่อคืนสยองที่ผ่านมาเพราะถ้ากําหนดเส้นทางถูกมันจะต้องย่นระยะทางได้มากทีเดียวและเจ้าป่ายอย่างเขา พอให้ตะวันขึ้นมองเห็นอะไรได้ถนาดเสอย่างเดียวเรื่องที่จะกําหนดเส้นทางผิดไปเป็นไม่มีอย่างเด็ดขาด3มเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์คือวิทยุก็ยังติดตัวอยู่อีกเครื่องแบบนี้ถ้าเกิดข้อสงสัยสอบถามกับไฟนอสิกหน่อยเดียวก็จะพุ่งเข้าหาจุดได้อย่างง่ายดายที่สุดก่อนที่เขาจะรับตาไปในพงไครบุญคําวิ่งออกมาตะโกนโวกโวกตามประษาของแก่ นายจ๋าไปแล้วก็อย่าไปลับไปแล้วก็จงกลับมาหาแม่มคริสด้วยนะอิตาบ้าหุก ป, ปากแล้วก็คอยดูแลแแมมไว้ให้ดีด้วยระหว่างที่พวกนั้นยังมาไม่ถึงเขาไม่หันหน้ากลับแต่ใช้วิทยุด่าพร้อมทั้งสั่งกาชับมาระหว่างตัดทางไปในราวป่าทึบสลับไปกับก้อนหินลักษณะแปลกๆที่ปรากฏอยู่ทั่วไปวิทยุที่เปิดไวของราฟินได้ยินเสียงการพูดโตตอบ ระหว่างเกิดกับทางฝ่ายบุญคำอยู่สองสประโยคเป็นเชิงสอบถามเส้นทางซึ่งตาพรานเท่าลูกพี่ใหญ่ก็บอกให้ทราบว่าควรจะมาทางด้านไหนอย่างไรพอจับเส้นทางได้ถูกการโต้อตอบกันทางวิทยุระหว่างทั้งสองฝ่ายก็เงียบหายไปแสดงว่าทั้งเกิดและเสยกำลังนำพวกลูกหาบายหน้าข้อหาจุดหมายแล้วและครั้งหนึ่งประมาณ10นาทีให้หลังนับตั้งแต่เขาพลาออกจากที่ตั้งมา มีเสียงเรียกจาสแตอรลี่เพื่อสอบถามซึ่งเขาก็ตอบไปให้ทราบว่ากำลังเดินเข้าหาเช่นกันพบกับพวกที่เดินทางสวนไปแล้วหรื อ, อยังฝ่ายโน้นถามมาไม่พบหรอกครับผมเดินตัดทางมาแต่พวกของเกิดจะอาศัยยึดมาตามลำห้วยอีกสักครู่ผมจะเข้าถึงที่ตั้งแคมป์แล้วเสียงวิทยุระหว่างทั้งสองฝ่ายขณะนี้ชัดเจนที่สุดเหมือนกันห่างกันแค่ไม่เกิน100เมตรเท่านั้น แล้ฝ่ายของสแตนลีย์คีดเชิร์ดวุดและจันซึ่งนั่งกันอยู่ริมกองไฟตาต้นใส่คอยเฝ้ารอคอยการมาถึงของจอมพรานก็พากันสะดุ้มสุดตัวด้วยความตกใจและคนตื่นเต้นขีดสุดเมื่อเสียงร้องทักดังไม่ห่างออกไปนักจากเบื้องหลัง Good morning gentlemen เราหันขวับไปก็ปรากฏว่าระพินไพรวันปรากฏตัวห่างออกไปแค่19เท่านั้น ลักษณะของเขาโผล่ขึ้นมาจากลำห้วยหลังต้นไทรซึ่งทุกคนลงไปสำรวจเมื่อเย็นหวานนี้เองทุกคนรวดพราดลุกขึ้นและส่งเสียงทักแซดไปหมดอย่างดีใจและประหลาดใจยิ่งเมื่อสอบถามว่าเข้ามาจากทางด้านไหนรานใหญ่ก็ชี้ไปทางลำห้วยหลังต้นไทรพร้อมกับสาวเท้านำพวกนั้นกลับเข้ามาในบริเวณแคมป์ในทันที ก่อนอื่นใดเขาหลีตาสำรวจไปรอบๆบริเวณอันเป็นที่พักทราบของหมาป่านับไปท่วนถูกกระสุนปืนนอนตายเรี่ยไรอยู่เกลื่อนปะปนไปกับปลอกกระสุนปืนนาน า, นาชนิดที่กระจกระจายไปหมดราวกับเกิดสงครามขึ้นซุ้มทุ่มพุ่มไม้ที่แต่เดิมเคยขึ้นหนาแน่นรกชัดบัดนี้ขยายนาบริเวณโปร่งโลง่งดำเกรียมไปด้วยอนุภาคของระเบิดเพลิง คงเหลือแต่ความลอยกรุ่นๆในบางแห่งเท่านั้นขณะนั้นแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นทุกขณะและหมอกกาลังจางทําให้มองเห็นออกไปได้นในระยะไกลพอควรทั้งสาคนระหว่างที่รอคอยการมาถึงเขาต้มกาแฟดื่มกันอยู่และบัดนี้จันเป็นคนรินส่งให้เขาหนึ่งถ้วยเ้ฟพินรับมาจับแล้วหันหน้ามาสํารวจซีนาอันอิดโรยแต่ก็เต็มไปได้วยความปิติยินดีของสเตอร์ลี คิดและเชิดวุธทีละคนทั้งสามเฮโลเข้ามากอดเขาไว้แน่นที่ได้พบเห็นอีกครั้งรวมทั้งความยินดีที่ตระหนักแน่ว่าในคณะทั้งหมดไม่มีใครถึงแก่ชีวิตลงจากเหตุการณ์รุนแรงขีดสุดที่ผ่านมาเมื่อคืนคิดทะลึ่งตามเคยเดยเข้าหอมแก้มเขาฟอดใหญ่ส่วนหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์จับมือทั้งสองของเขาบีบแน่นเขย่าอยู่ไปมา สำหรับเชิดวุธนั้นเข้ามาเกาะเขาไว้อย่างเด็กๆแทบไม่ยอมปล่อยจานยืนมองยิ้มๆด้วยอาการสงบเพราะรู้ฝีมือของเจ้านายดีอยู่แล้วในที่สุดเราก็ผ่านพ้นคืนมาหาโหดอีกคืนหนึ่งไปได้ผมดีใจจนบอกไม่ถูกระพินแล้วเตอร์สแตนลี่กล่าวเสียงสั่นไปด้วยความปราโมดเขาทักทายกับนายจ้างทั้งสองแล้วหันมาทางเชิดวุฒที่ยังกอดรักเขาอยู่ทางเบื้องหลัง เอาล่ะปล่อยผมได้สทีแล้วคุณเชิดวุฒกาแฟาผมหกหมดแล้วเห็นหน้าพี่ยิ่งกว่าเห็นพระอินทร์ลงมาช่วยเสยอีกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกบุตรชายท่านในพลซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายการข่าวของกลาโหมอันรับภาระหน้าที่มาด้วยในครั้งนี้พูดปนหุร่ราอดวงตามีน้ำตาคลอมันไม่ครับเขาถามยิ้มยิ้มแล้วหันมาตบไหล่คิด ถ้าไม่ได้ระเบิดเพลิงของนายมาช่วยประท้าไว้พวกเราคงสกัดมันไม่อยู่แน่ๆโชคดีที่สุดที่มีเบลบาดเจ็บคนเดียวแต่ขนาดนี้ก็ปลอดภัยแล้วทั้งคิดและสแตนลีย์ทำหน้าเบ้พร้อมกับถอนใจเฮือกขณะที่กวาดตามมองไปรอบๆแคมป์พักพูดอะไรไม่ออกระพินคว้าวิทยุ ข, ขึ้นมากดคีย์รายงานไปทางด้านคริสติน่าบอกให้ทราบว่าบัตรนี้เขาได้กลับมาถึงแคมป์เรียบร้อยแล้ว รวดเร็วดีจริงฉันจับเวลาอยู่ยีเจนาทีพอดีนับตั้งแต่คุณออกเดินทางแต่ทางด้านนี้เกิดกับเสยนําพวกนั้นมายังไม่ถึงเลยรู้สึกแต่เพียงว่าพวกเขาใกล้เข้ามาแล้วเท่านั้นเพราะได้ยินเสียงกู่เสียงใสของหล่อนตอบมาครับใจเย็นๆประเดี๋ยวพวกนั้นก็คงจะมาถึงแล้วเขาก็หันมาทางคีทผู้เป็นหัวหน้าคุมคลังยุทธภูมิอุปกรณ์และวินาศกรรับต่างๆ อันค่อยๆมาเปิดเผยออกกลางป่าตามวันเวลาที่ผ่านไปเนื่องจากความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คิดหนลาดระเบิดของนายพันเอกแห่ง U.S.Army ลืมตาโตฮะนี่พอมาถึงยังไม่ทันแม้แต่จะนั่งนายก็จะลงมือทำงานเลยเหรอเออรีบทำกันให้เสร็จซะเดี๋ยวนี้เลยเดินทางมานี้ฉันก็ไม่ เ, นเหนื่อยอะไรจนถึงกับจะต้องพักมันจะทาให้ล่าช้าเสียเวลาไปเปล่าๆ ระเดียวเสร็จงานทางด้านนี้เราจะไปรวมกับพักพวกที่โนนแล้วค่อยพักหรือค่อยปรึกษากันอีกทีตอนนี้ทำงานกันก่อนเถอะคิดก้มลงไปคว้าสิ่งที่ห่ออยู่ในพลาสติกขึ้นมาชูให้ดูลักษณะเห็นภายนอกเป็นแท่งยาวประมาณแนิ้ว2แท่งลักษณะอ่อนตัวได้นี่ยังไงระเบิดว่าแต่นายจะระเบิดอะไรที่ไหนอย่างง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรทั้งสิ้น จอมพรานแง้มองขึ้นไปบนต้นไทรใหญ่ที่ทุกคนได้ขึ้นไปอาศัยหลบภัยเมื่อคืนที่ผ่านมาสกิดแขนให้คิดเดินเข้าไปยังโคนต้นแล้วตบเบาๆลงกับรากไทรมหืมานั้นบอกเรียบๆว่าฉันต้องการให้นายใช้ระเบิดเป็นเครื่องมือโคดล้มต้นไทรนี้ควรจะวางยังบริเวณที่โคนนี่แหละเอาให้พอกขาดและโคดลำต้นให้ล้มราบลงกับพื้นนายกะขนาดของระเบิดเอาเองก็แล้วกัน ส่วนฉันกับจันจะทำหน้าที่เป็นแค่ลูกมือทุกคนที่ยืนฟังอยู่ด้วยทำสีหน้างงเหมือนจะไม่เชื่อหูแล้วมองดูหน้ากันเองลอกแลกคิดถึงกับเอามือแคะหูเชิดวุดจ้องหน้าเขาอย่างค้นหาส่วนสแตนลีสำรวมกิริยาเป็นปกติได้มากที่สุดถามมาต่ำๆว่าคุณคงจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมที่สั่งให้เราระเบิดโค่นต้นสายต้นนี้ การจะโค้นต้นใสมันไม่ยากหรอกตูมเดียวมันก็ล้มแล้วไม่ว่าจะใหญ่สักขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีความลับสำหรับคุณเกินไปนะเราก็อยากจะขอทราบว่าทําไมคุณถึงย้อนกลับมาที่นี่เพื่อหมายข้นต้นใสที่พวกเราได้อาศัยหลบภัยต้นนี้เจะว่าไปแล้วต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มีบุญคุณต่อชีวิตของพวกเราทั้งหมดมากทีเดียวและอายุก็คงหลายร้อยปีขึ้นไป ครับผมมีเหตุผลของผมระบินกล่าวแผ่วเบามือลูกคลมอยู่กับรากย้อยที่ห้อยระยะลงมาเป็นม่านพิจารณานิ่งไปอึดใจก็กล่าวต่อมาช้าชาว่าพวกคุณอาจไม่เชื่อหรือเชื่อยากแต่ขอให้ทำตามที่ผมบอกเถิดถ้าอยากจะทราบเหตุผลผมก็ยินดีจะบอกให้เขาเว้นระยะไปนิดหนึ่งสูดลมหายใจลึกใช้ฝ่ามือแตะที่ริมปากตนเอง และเออรอยแตะจูบนั้นลูบไล่ลงไปยังโคนพญาไซใหญ่หันกลับมายังทุกคนที่ยืนจ้องเขาขมิงอยู่เมื่อคืนนี้ขณะที่พวกเราหลับกันอยู่และผมก็หลับก่อนที่กองทัพไอ้ผีดิบจะมาล้อมไว้และก่อนที่พวกหมาป่าเป็นพันๆตัวจะเข้าโจมตีผมฝันไปว่าได้มีอะไรสิ่งหนึ่งที่เฝ้าประจําดูแลต้นไซใหญ่ต้นนี้ได้มาสําเดงกายให้ผมเห็น ผมไม่ทราบจะอธิบายให้พวกคุณเข้าใจได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ขอตั้งเป็นสมมติฐานให้พอฟังง่ายๆว่าเป็นเทพประจำต้นไม้ใหญ่นี่ก็แล้วกันเธอได้มาบอกผมว่าคืนนี้จะเกิดเหตุร้ายแก่คณะของพวกเราอย่างมากและอนุญาตให้เราทั้งหมดขึ้นไปอาศัยอยู่บนกิ่งของต้นไทรที่เธอดูแลครอบครองนี้ได้เพื่อหลบภยัยแต่สาหรับอิซาเบลนั้นเคราะห์ร้ายมากจะต้องถึงแก่ชีวิต สเตลลี่เชิดวุดและคิดผู้ทานออกมาพร้อมกันด้วยอาการตะลึงตกใจระพินกล่าวต่อไปในความฝันผมได้ขอต่อรองขอร้องเธอไว้โดยขออย่าให้เบลต้องเป็นอะไรถึงแก่ชีวิตเลยสำหรับเหตุการณ์ร้ายๆใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นภายในคืนนี้เธอผู้ปกครองดูแลต้นไม้นี้ได้มีข้อสเสนอกับผมว่าจะช่วยป้องกันให้เบลเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต แต่มีข้อแรกเปลี่ยนว่าเมื่อเบลไม่ถึงแก่ชีวิตและทุกคนปลอดภัยจากเหตุร้ายในคืนนี้แล้วขอให้ผมล้มต้นไม้ที่เธอสิงสู่อาศัยอยู่นี้เพื่อให้ราบลงกับพื้นเป็นการทำลายเสียจะได้หรือไม่ผมรับปากกับเธอว่าจะปฏิบัติตามที่เธอต้องการและเดี๋ยวนี้เบลก็รอดชีวิตแล้วอย่างหวุดวิดหน้าที่ของผมก็ต้องทาตามสัญญาที่ให้แก่เธอไว้ คือโค่นต้นสายนี้ลงตามที่เธอต้องการทั้งสามคนยกเว้นจันยังมีสีหน้ามึนงงอยู่เช่นนั้นคิดร้องมาเสียงสูงว่านายใช้คำว่าเธอหมายถึงเป็นผู้หญิงงั้นหรือใช่เพศหญิงแต่อย่าถามว่าเธอเป็นอะไรเพราะฉันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเขาพูดขรึมๆเอาหลังมือขยี้จมูกเพราะอึดอัดใจที่ต้องอธิบายอะไรกับพวกนี้เอาล่ะ เธอผู้นั้นบอกคุณด้วยหรือเปล่าว่าเธอมีเหตุผลอะไรถึงต้องขอร้องคุณเช่นนั้นผู้คุณคิดว่าพอจะรับฟังได้หรือก็เพยายามฟังอยู่และจะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรทั้งสิ้นเมื่อจะบอกอะไรแล้วก็ขอให้บอกจนหมดสิ้นกระแสความอย่าอ่ำอ่ำอึ้งออยู่ัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นด้วยสีนหน้าซึ่งปราศจากแววยานหรือเยาะใดใดทั้งสิ้นนอกจากความสนใจขีดสุดสําหรับคิดแยกเคี้ยวขาว เชิดวุฒนั้นขนลุกเกลียวเกลียวถ้าฟังได้และไม่คิดจะหัวเราะย่อบผมก็ยินดีจะบอกให้ฟังให้หมดเธอผู้นั้นมีเหตุผลจำเป็นของเธอเช่นการที่ขอร้องเช่นนั้นโดยบอกว่าเธอต้องทนทุกข์ทรมานถูกพระมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทพทั้งหลายสาปเป็นการทำโทษให้ต้องมาเฝ้าประจำเป็นนางไม้อยู่ที่ต้นไซใหญ่นี่มาเป็นเวลานา น, านแล้ว ข้าสาจะหลุดพ้นสิ้นไปก็ต่อเมื่อไส้ใหญ่ต้นนี้ถึงการอวสานล้มลงมาราบกับพื้นซึ่งเมื่อ น, นั้นแปลว่าเธอชดใช้กรรมหมดสิ้นและจะได้กลับคืนไปสู่สารภาพเดิมของเธอซึ่งสูงส่งกว่าการที่มาเป็นเทพธิดาเฝ้าต้นไม้อยู่เธอจึงขอร้องผมไวเช่นนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนโดยยืดอายุให้แก่เบลไม่ให้ต้องมาตายเสียภายในคืนนี้ก่อน ก็เห็นนี้แหละทําให้ผมต้องย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้งโดยให้พวกคุณรอดูอยู่ด้วยและถามหาระเบิดจากคีตสแตลลี่เบิกตาสีฟ้าจ้องหน้าเขานิ่งระหว่างที่เขาพูดอย่างไม่สู้จะเต็มปากนะส่วนคีตยกมือกุ่มขมับทิ้งตัวลงไปนั่งอยู่กับกรากใสพึมพาออกมาว่ากูจะบ้าตายเชิดวุดหน้าขาวซีริฟี ป, ปากสัน งันขึ้นไปมองดูยอดใสสูงลิบคอตั้งบ่าและกิ่งก้านสาขาที่ได้สายช่วยชีวิตพักพวกทั้งหมดไว้ครางอุบอิบในลำคอจับกระแสความไม่ได้ความเงียบปกคลุมไปชั่วขณนะแล้วอึดใจต่อมาสแตนลี่ก็เอื้อมมือมาจับแขนเขาไว้บีบหนักหน่วงเอาล่ะระพินผมไม่ขอออกความเห็นหรือถามอะไรคุณมากไปกว่านี้เมื่อเป็นความต้องการของคุณ เราก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามให้ทุกอย่างแล้วก็หันหน้ามาทางคิดใช้เท้าเขี้ยก้นบอกเฉียบขาดว่าเฮ้ mm. hey, คิดจัดการระเบิดต้นใส่ต้นนี้เดี๋ยวนี้เป็นหน้าที่ของนายที่จะกะใช้ระเบิดให้เหมาะสมและสั่งให้พวกเราอยู่ในรัศมีที่ปลอดภัยที่สุดในขณะที่มีการระเบิดและใส่ต้นนี้ล้มพินาศลงมาลงมือจัดการเดี๋ยวนี้เลยมีอะไรที่พวกเราจะช่วยกันได้คนละไม้คนละมือ เพื่อให้เร็วขึ้นก็สั่งมาคิดก็พรวดขึ้นมายืนในบัตรนั้นลูกมือเข้าหากันถามห้าห้าว่าจะให้ลําต้นล้มไปทางด้านไหนบอกมาเริบินชี้มือไปทางด้านตะวันตกให้ล้มไปทางด้านนี้ทิศตะวันตกและอย่าให้เกิดไฟไหม้ปากขึ้นด้วยเอาเฉพาะแค่ต้นใส่ล้มอย่างเดียวเท่านั้นคิดฉับไวรวดเร็ว ด, ดีเหมือนกันเยี่ยงผู้ที่ผ่านงานประเภทนี้มาอย่างดีแล้ว ลงมือปฏิบัติการโดยทันทีโดยมีเขาเชิดวุฒจานย์และดรสแตนลีย์คอยเป็นลูกมือให้ความช่วยเหลืออยู่ระเบิดพิเศษเพื่อ ง, งานวินาศกรรมโดยเฉพาะแท่งหนึ่งถูกแกะออกมาในระหว่างที่คิดร้องสั่งมายังคนอื่นๆให้ช่วยกันใช้มีดไม้ขุดเข้าไปใต้บริเวณโคนทราย6ตำแหน่งเว้นแต่และตำแหน่งห่างกันประมาณหนึ่งหลาโดยกาหนดสั่งให้ช่วยกันขุดเป็นโพรงเข้าไป ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้เว้นไว้เฉพาะทางด้านที่ตะวันตกเท่านั้นที่ไม่ต้องให้ขุดหรือปฏิบัติการใดๆการขุดไม่ยากอะไรนะเพราะช่องโพรงรอยรูมีอยู่ก่อนแล้วโดยธรรมชาติเพียงแต่เหลาไม้ยาวๆท่อนขนาดข้อมือเซียมปลายเป็นปากฉลามเซาะขุดเข้าไปในตำแหน่งที่ดินร่วนซุยเท่านั้นก็สามารถที่จะทาเป็นรูสาหรับที่จะอัดระเบิดเข้าไปได้ และสามารถที่จะทำเสร็จทั้ง6ตตำแหน่งครึ่งรอบโคนไสภายในเวลาไม่นานคิดเข้ามาตรวจดูแต่และตำแหน่งอย่างทีท่วนสำรวจความลึกซึ่งแต่ละจุดกะว่าจะชอนลึกเข้าไปจากโคนลำต้นประมาณหนึ่งหลาเช่นกันพอเสร็จสับในด้านการสร้างช่องสำหรับวางระเบิดพันเอกแห่ง US Army ผู้ชำนาญการในด้านการทำลายล้างทุกชนิดก็แกะกระดาษายที่ห่อวัตถุชนิดหนึ่งออกมา พระผิดและเชิดวุฒจ้องเขมงซึ่งในนั้นแยกเขี้ยวยิ้มขณะที่มือก็ทำหน้าที่เด็ดหักเจ้าสิงอันม่องผัดผาดเหมือนดินน้ำมันอ่อนตัวได้สีขาวข้อนออกมาค่อยๆปั้นเป็นลักษณะก้อนกลมมีสันฐานขนาดเท่าลูกมะขามป้อมเท่านั้นจากนั้นก็ค่อยๆกดให้แบนลงเล็กน้อยเหมือนเหรียญรวมแล้วหกก้อนโดยค่อยๆวางเรียงไว้บนรากทรายก่อน ปริมาณที่เด็ดออกมาปั้นกลมและแผ่เป็นรูปแบงของวัตถุนั้นรวมกันหมดแล้วยังไม่ถึงเศษ 1.4 ส่วนสี่ของจำนวนแท่งทั้งหมดลักษณะมันเหมือนระเบิดพลาสติกเชิญวุ้กระซิบกระพินแต่ที่ผมเคยเห็นมาก่อนนั้นมันไม่ใช่อย่างที่ไอคิดมันใช้อยู่นี่พี่เคยเห็นระเบิดลักษณะ น, นี้มาก่อนไหมครับกระพินเบะปากนิดหนึ่งยากไล ขนาดคุณเป็นนายทหารประจำการและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธยุค ก, ก้าวหน้ามาตลอดยังไม่เคยเห็นหรือรู้จักผมจะรู้จักได้ยังไงสำหรับอาวุธร้ายแรงรุ่นใหม่ๆพวกนี้เห็นมันบอกผมว่าในขนาดน้ำหนักของระเบิดชนิดนี้หนึ่งส่วนจะเท่ากับหนึ่งส่วนของ TNT แต่ละชิ้นที่มันเอาออกมาปั้นผมกะว่าน้าหนักประมาณ50กรัมเท่านั้นถ้าเอาร้อยคูณก็จะเท่ากับพันกรัม หรือ TNT 5กิโลกรัมเบอร์ยัดเข้าไป6จุดก็เอา6คูณรวมแล้วเท่ากับ30กิโลกรัมระเบิด TNT น้ำหนัก30กิโลกรัมยี่า้อตะต้นายขนาดนี้เลยต่อให้ตึกขนาดโรงแรมดูสิทธา น, นีก็คงลงมาราบกับพื้นถ้าวางให้ถูกจุด <c oughs> เชิดวุ้อุทานแผ่วเบากระเดือกน้ำลายลงคออย่างฟืด มายืนดินทาไรกันสองคนนี่คิดเงยหน้าขึ้นถามปนหัวร้อเปล่ากำลังมีความคิดอยู่ว่าถ้าใช้ซักขนาดหัวไม่ขีดไฟและแอบยัดเข้าไปในรูก้นของนายเวลาในาหลับรูปร่างอันสูงใหญ่หลอเล้าสง่า ง, งามของนายจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างได้คิดค้อนขวับไม่ตอบว่าอะไรแต่สบดัด่าพมไปหมดเชิดพูดถามอีกว่าถามจริงๆเถอะวะคิด เคยมีการทดสอบกันมาแล้วเรียงังสำหรับระเบิดของนายนี่เคยมอนั่นบอกหนักๆในลำคอด้วยเสียงกระชากก่อนเวียดนามแตกฉันเคยแอบเอาเข้าไปแปะติดไว้ใต้ท้องรถถังที54ของเวียดกงก็แค่สองก้อนเล็กๆนี่เท่านั้นพอมันตูมขึ้นที54ทั้งคันพลิกเอาตีนตะขาบชี้ฟ้าเหมือนใครจับยกหงายท้อง เชิดบูดพยักหน้างึกๆถามต่อไปว่าแล้วนายก็จะเอาแต่ละก้อนชิบหายนั่นยัดเข้าไปในรูใต้โคนทราย6จุดที่ให้พวกฉันขุดเอาไว้มันจะไม่มากเกินไปหน่อยหรือกับเพียงต้นใส่น้ำหนักทั้งหมดไม่ถึง200ตันต้นนี้ฉันต้องการให้มันล้มลงอย่างถอนรากถอนยวงทั้งหมดตามคำสั่งของราพินในการวางระเบิดเพียงครั้งเดียวไม่ต้องมาวางซ้ำกันอีก มันเกิดไม่ล้มลงอย่างเด็ดขาดเราเผื่อเหลือไว้ดีกว่าเผื่อขาดแล้วนี่จะต่อสายชนวนกันยังไงการทําให้มันระเบิดขึ้นจะเป็นไปในลักษณะไหนเป็นหน้าที่ของฉันไม่ต้องถามอะไรมากประเดี๋ยวนายจะเห็นเองพอฉันจัด ก, การอะไราเสร็จเรียบร้อยคนที่จะกดสวิตช์บังคับให้มันระเบิดขึ้นคือระพินไม่ใช่ฉันสําหรับฉันจะเป็นเพียงผู้จัดเตรียมการไว้ให้เท่านั้น คิดบอกขุ่นห้วนแล้วหันมาทางฟารานใหญ่ระพินนายนาทุกคนของพวกเราออกห่างจากที่นี่ในระยะหนึ่งร้อยเมตรไปทางด้านตะวันออกและเข้าหาที่กำบังไว้ก่อนฉันขอเวลาจัดการทางด้านนี้อีกไม่เกินห้านาทีแล้วจะตามไปเมื่อฉันไปถึงแล้วฉันจะบอกนายเองว่านายจะจัดการยังไงสายต้นนี้จึงจะถอนขึ้นทั้งยวงแล้วมีปลายล้มฟาดไปทางตะวันตกตามที่นายต้องการ ดำเนินการได้แล้วเดี๋ยวนี้เลยอย่าช้าขนข้าวของอะไรที่เหลืออยู่บริเวณนี้ของเราไปให้หมดเลยเพราะเราคงไม่จําเป็นที่จะต้องย้อนกลับมาที่นี่อีกแล้วคําสั่งนั้นเป็นกิจจารษณะและจริงจังที่สุดราพีนหันมาโบกมือกับจาร์และสแตนลีย์แล้วจูงมือเชิดวูดชุดให้ออกเดินตามเา้าโดยส่วนเข้าหาทางตะวันออกซึ่งมีแสงแดดเป็นลําส่องลอดเงาไม้ใหญ่ลงมา ทิ้งคีธให้ง่วงจัดการอยู่ที่โคนสายตาละพังเพียงคนเดียวระหว่างที่เขานำพะพวกเดินห่างออกไปอย่างรีบเร่งเสียงในคีธก็สั่งการมาทางวิทยุอีกว่ายึดโขดหินใหญ่ๆ ห, หรือโคนต้นไม้ใหญ่เข้าไว้ไม่ต้องกลัวสะเก็ดระเบิดเพราะไม่มีแต่ให้หลบสายตาจากแสงระเบิดอย่าจ้องดูเพราะมันอาจทำให้สายตาเสียได้ตกลงคีธพอเสร็จแล้วให้ตามมาโดยเร็วและพินตอบกลับไป อึดใจใหญ่ต่อมาเขาเนว่าห่างจากโคนใสายต้นนั้นประมาณ100เมตรรัฟินก็เลือกได้ตำแหน่งที่ลุ่มต่ำบริเวณหนึ่งหลังชงก้อนหินที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินในระหว่างต้นกระบากใหญ่2ต้นจึงวายทุกคนเข้าไปพักที่นั่นก่อนตอนเองหันกลับมาก็เห็นคีส ก, กำลังเดินข้าบซิก้าดุมๆตามมาเบื้องหลังห่างประมาณ50าเมตรแสดงว่าพอพวกเขาคล้อยหลังไปได้ครึ่งทาง คิดกว็วางระเบิดเสร็จและเดินตามมาแล้วคิดก็เข้ามาถึงเอื้อมมือคว้าไหล่เขาไว้ดึงให้ลงไปนั่งเหยียดยาวอยู่หลังโขดหินอันเป็นเสมือนฉากกำ บ, บังนั้นลาเงาะกระติกบรันดีออกมาเทใส่ปากสอ ง, งสมอึกแล้วส่งไปให้เขาแล้วพินสันหน้าคิดจึงแจกจ่าเยียงทุกคนแม้กระทั่งจันเรียบร้อยนะคิดสเตลลี่ถามย้ำเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง โดยทฤษฎีเรียบร้อยแต่ด้ทางปฏิบัติเดี๋ยวก็รู้เองว่าแต่จะเอาหรือยังละ่ะถ้างั้นขอเวลาให้ฉันส่งข่าวไปให้พวกทางโน้นรู้ก่อนประเดี๋ยวได้ยินเสียงระเบิดจะพากันตกใจเสียเปล่าๆหัวหน้าคณะบอกแล้วยกวิทยุถือขึ้นจากสเตนลีย์เรียกคริสติน่าได้ยินข่าอาจารย์เสียงตอบมาทันทีพวกเราไปถึงเรียบร้อยแล้วหรือทุกคนมาถึงเรียบร้อยหมดสิ้นแล้วเมื่อประมาณสักสิบนาทีที่ผ่านมา ดีมากฟังให้ดีนะคริสขอให้ฟังและรับทราบเท่านั้นอย่าเพิ่งถามอะไรมาก่อนทั้งสิ้นหากเกิดข้อสงสัยอย่างไรเมื่อเราเดินทางไปถึงจะบอกรายละเอียดให้ทราบภายหลังคือขณะ น, นี้อีกภายในไม่เกิน2อถึงอึดใจข้างหน้าเรากำลังจะระเบิดเพื่อโค่นล้มต้นทายที่เราขึ้นไปพักอาศัยกันเมื่อคืนโดยข้อแนะนาของราพินหาได้ยินเสียงระเบิดที่แววสะเทือนไปถึงอย่าตกใจ ร น, นั่นหมายถึง ร, ระเบิดต้นไซใหญ่ต้นนี้นั่นเองถ้าทราบแล้วตอบหัวหน้าคณะผู้ชัดช้าชัดเจนเพื่อให้ทางฝ่ายโน้นได้ยินจะแจ้งทุกถ้อยกระทงความค่ะทราบและจะบอกให้พวกเราทางนี้รู้ไว้เกี่ยวกับเสียงระเบิดที่อาจแว่วมาถึงทางฝ่ายเราโอเคแล้วสเตอร์ลีก็หันไปบอกคิดดำเนินการได้พันเอกแห่งยูมียิ้มแคร่กับประพิน กล่าวเสียงต่ําว่าได้รับรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนที่จะระเบิดสาต้นนั้นคือนายจอมพรายเสยะยิ้มตอบใช่แต่ถ้าจะให้ฉันออกจากที่นี่ไปจุดสายฉนวนหรือกดสวิตช์ระเบิดที่นายต้องไว้ไม่ว่าจะตําแหน่งใดก็ตามฉันขอปฏิเสธอย่าแกล้งโง่หน่อยเลยวะระพินฉันไม่ให้นายต้องทําอะไรเสี่ยงถึงขนาดนั้นหรอกนายนั่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ทําตามคําสั่งง่ายๆของฉันตามลําดับท่านไป ระเพีนดาบก้นบุรีในมือลงอย่างเยือกเย็นโดยขยี้กับพื้นหินที่มา น, นอนพิงกันอยู่ว่ามาหยิบวิทยุมือถือประจําตัวของนายขึ้นมาจอมพรานดึงวิทยุที่เน็บเอลอยู่ขึ้นมาถือไว้เลิกคิ้วขึ้นจ้องตาคิดขมงเปิดสวิตไว้ก่อนแล้วยังขณะนี้ปิดอาละอย่าเพิ่งเปิดให้หมุนความถี่จากตําแหน่งเดิมที่ติดตั้งถาวรไว้ไปยังช่องสี่ กดตุ่มลงไปก่อนแล้วบิดหมุนตามเข็มนาฬิกาไป4คลิกขาปฏิบัติตามคำสั่งนั้นช้าๆใช้มือจัดตุ่มเปลี่ยนความถี่ของช่องทดลองกดลงปรากฏว่ามันสามารถกดลงไปได้จริงๆแล้วขยับหมุนตามจังหวะทีละจังหวะจนกระทั่งครบ4จังหวะเดินไม่อาจหมุนไปได้อีกแล้วตลอดเวลาคิดและเชิดวุฒิจ้องมองนิ่งมาโดยเฉพาะบุตรชายท่านในพล เริ่มหัวใจเต้นแรงบอกกับตนเองในใจว่าสารพัดเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยราชการลับอเมริกันหรือ CIA พวกนี้มันล้วนแต่ลีลับแฝงซ่อนพิษภัยไว้ทั้งสิน้นคราวนี้เปิดสวิตช่งมันยังไม่ทำให้ระเบิดพวกนั้นระเบิดขึ้นก่อนรอกไม่ต้องกลัวคิดพูดมาในนั้าเสียงบนหัวร้อฮึ่ตามเดิมระพินเปิดสวิตซึ่งบัตรนั้นสัญญาณไฟแดงจากตัวเครื่อง ซึ่งเขาไม่เคยเห็นมันปรากฏมาก่อนเลยอยู่เหนือตำแหน่งปากพูดและไมโครโฟนซึ่งเป็นหลอดซ่อนอยู่ก็ปรากฏแสงสว่างแดงว่าบว่าบขึ้นเป็นระยะแบบสัญญาณไฟอันตรายพรานใหญ่มองหน้าคิดเหมือนจะถามในนั้นเขาก็บอกต่อมาว่าคราวนี้ทุกอย่างมันก็พร้อมแล้วลองใช้สติปัญญาของความเป็นทหารเก่าของนายดูซิว่า ถ้าจะทำให้ระเบิดที่ฝังไว้ใต้โคลไซเหล่านั้นระเบิดขึ้นได้ควรจะทำยังไงหวังว่าคงไม่ต้องบอกนะพรานใหญ่ขยี้ปลายจมูกที่เหงือเกาะราวกำวิทยุรับส่งในมือแน่นเขาเห็นคีส ก, กับสแตนลี่เริ่มงอตัวลงเอาหลังเอนแนบดินและใช้มืออุดหูแน่นจึงหันไปมองจันกับเชิดวุฒที่ยังมัวเซอือสร้างเ ง, ง ะ, ะงะชะโงกมองดูวิทยุี่มือเขาอยู่ ระพินบอดเสียงเครียดว่าจันคุณวุธททำตามอย่างคิดกับสแตนลี่อุดหูไว้อย่าเอาส่วนอกหรือท้องแนบกับพื้นประเดี๋ยวตับแตกตายทั้งสองคนรีบปฏิบัติตามคำสั่งเขาทันทีพลิกตัวเอาหลังพิงเนินหินและอุดหูแน่นระพินชูวิทยุในมือขึ้นสูงเอ็นยอดเสาอากาศสั้นๆยื่นไปทางต้นซส่ต้นนั้นแล้วกดคีย์วิทยุรับส่งเครื่องนั้น ปล่อยกระแสะคลื่นออกไปในบัดดลริบตาที่เขากดขีแผ่นดินที่ทุกคนพากันมาหลบเอาหลังเอน็นพิงหินกันอยู่ก็สั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวพร้อมๆกับปรากฏเสียงคลื่นยาวเหมือเสียงฟ้าร้องมันดังทึบๆจากใต้ดินก่อนแล้วก็สะท้อนกล้องขึ้นมาด้านบนสู่ห่วงนภาอากาศอากาศรอบตัวถูกอัดวูบโดยแรง ในร่างกายของทุกคนแทบจะ ก, กระเด้งกระดอนขึ้นจากพื้นติดตามมากับกำปนาดอันสะเทือนเลื่อนล่านนั้นก็มีเสียงลำต้นไม้ใหญ่เอ็นฟาดทับลงไปยังยอดไม้ไร่ที่อยู่ยังบริเวณใกล้เคียงหักครืนโคลเหมือนป่าจะถลม่มป่าในบริเวณนั้นแตกยับไปทั้งป่าเป็นเสียงดังติดต่ อ, อ ก, กันในช่วงเดียว จา ก, กลําต้นสูงใหญ่ที่ฟาดเอ็ล้มลงไปทับไม้ที่เล็กกว่าซึ่งพลอยพาให้โค่นล้มพังพินาศตามไปด้วยราฟินชโกกหน้าพ้นแนวที่หดหัวหลบอยู่ขึ้นไปดูภาพที่เขาเห็นนั้นคือยอดไซอันนาทึบอุดมไปด้วยกิ่งก้านสาขากําลังเอ็งลงในมุมต่ำกว่า45องศาจา ก, กลําดับพืนนั้นและ กำลังจะสร้างความหักพังวายวอดให้กับต้นไม้ในทิศทางที่มันล้มฟาดลงไปอย่างเช่มช้าด้วยน้ำหนักของลำต้นมหาศาลเสียงต้นไม้อื่นหักยังครืนคลางอยู่ต่อไปและเฉพาะที่คนลาต้นนั้นเป็นควันสีเทานาทึบมองอะไรในบริเวณอันเป็นปางพักไม่เห็นเพราะทั้งควันและผงธุลีปกคลุมไปหมด มันคละคลุ้งขึ้นมาจากกระดับพื้นไม่ต่ำกว่า10เมตรคิดสแตนลีย์เชิดวุฒและจันทรันขึ้นจากอาการที่ลบอยู่ชะโงกดูด้วยสายตาอันเบิกเขมงเงียบกริบโดยเฉพาะจันทร์กับเชิดวุฒถึงกับอ้าปากค้างตะลึงเกือบนาทีเต็มๆที่พยาไซใหญ่เองตัวลงฟ้าทับไม้อื่นๆจนกระทั่งในที่สุดตลอดทั้งลำต้นก็ราบลงมาอยู่กับพื้นดิน ในลักษณะกระแทกถึงพื้นโดยไม่มีอะไรสามารถจะมาทานรับไปได้แล้วก็กระดอนขึ้นนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็ยวบลงไปสนิท ก, กลายเป็นพงป่า ย, ย่อมๆบางกิ่งก้านสูงที่ชี้สูงขึ้นไปและต้นไม้ในแถบละแวกนั้นก็หักสะบันราบลงไปตลอดแนวความยาวของมันกว่า 3-40 ถึงเมตรทำให้สภาพอันเคยรกทึบไปด้วยยอดไม้สูงเสียด ฟ, ฟ้า ปกปิดพื้นดินไว้นบริเวณโปร่งโลง่งมองเห็นอะไรต่ออะไรถนัดตาขึ้นโดยเฉพาะแผ่นฟ้าอันสว่างแจ่มใสา ย, ยามเช้าปลายยอดหรือแนวของลำต้นส่วนใหญ่ของมันหันไปทางทิศตะวันตกอย่างแม่นยำตามข้อกำหนดของระพินและตามหลักการวางระเบิดของคิดโดยไม่คล้ายเคลื่อนไปเลยจอมพรานตบลายคิดหนักๆในนั่นหันบะมองเขาก็ยื่นมือไปให้จับ ร้อมกับบีบแน่นและขยับแรงๆแทนความหมายขอบใจและพอใจคิดหัวเราะ อ, ออกมานิดหนึ่งส่วนเชิดวุฒิเป่าลมพลูออกจากปากเอื้อมมือข้ามหลังระพินมาตบไทยทอยของคิดร้องก็บอกมาเป็นประโยคแรกว่ามือวางระเบิดนายแน่จริงๆวะ่ะคิดและฉันก็เชื่อแล้วว่านายเคยระเบิดทีห่ของเวียดกงมาแล้วเรื่องเดินป่าฉันไม่รู้ แต่ถ้าจะให้ระเบิดอะไรหรือไปกู้ระเบิดที่ไหนขอให้บอกพันเอ็แห่ง U.S.Army บอกหน้าตาเฉยและถามระพินว่าก็เป็นอานเสร็จสิ้นธุรกิจที่นายต้องการแล้วนะระพินสุภาพบุรุษไายยังไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นเพ่งดูภาพของายใหญ่ที่โค่นลงมาราบกับพื้นแล้วสะกิจขอกล้องส่องทางไกลที่ถืออยู่ในมือของดรสแตนลีย์ไปส่องสารวจอย่างทีท้วน เขามองไม่เห็นบริเวณอันเคยเป็นแคมป์พักใต้โคลนใสจริงๆเพราะหมอกควันยังมืดมัวปกคลุมทึบไปหมดและบางส่วนก็กำลังลอยสูงขึ้นไปบนอากาศอย่างแช่มช้าลักษณะ ด, ดูเหมือนดอกเห็ดแบบระเบิดปรมาณูอย่างไรก็ตามไม่มีวี่แววเขาเงื่อนว่าจะเกิดเปลวไฟลุกลามขึ้นอย่างที่คิดเกรงไว้คงมีแต่กลุ่มควันเท่านั้นคลุมท่วมไปหมดในบริเวณไม่ต่ำกว่า200ตารางวารอบโคลนใส เศษวัสดุอันเป็นชิ้นส่วนของต้นไม้รวมทั้งก้อนหินก้อนดินที่ลอยสูงขึ้นไปบนอากาศบัดนี้กำลังโปรยหล่นร่วงลวงมาอย่างน่ากลัวคิดกาหนดระยะที่ให้มาพักหลบอย่างถูกต้องที่สุดหากใกล้กว่านี้ก็ไม่แน่นักว่านอกจากแรงอัดของระเบิดซึ่งน่าจะเป็นอันตรายแล้วอันตรายจากเศษวัสดุที่ลอยขึ้นไปสูงแล้วหล่นร่วงลวงมาก็อาจถึงตัวด้วย เพราะมันกระจัดกระจายหล่นพรมไปทั่วอาณาบริเวณในละแวก50เมตรดูอะไรนั่นนายเสียงจัน์ผู้เงียบกริบมาตลอดและหมอบอยู่ในกลุ่มชี้มือพร้อมกับร้องเออะออกมาดังๆทุกคนที่กำลังมองดูอยู่ที่ซากใส่ล้มและกลุ่มควันบริเวณโคลนต้นเงยหน้ามองสูงขึ้นไปตามคำชี้บอกกระหือกระหอบของจันทันที ระพินนั้นมองด้วยกล้องจึงกระดกกล้องทางไกลเงยตามขึ้นแต่ภาพจากเกลนกล้องเขามองไม่เห็นอะไรนอกจากกลุ่มควันที่ลอยสูงเป็นทางยาวขึ้นไปเท่านั้นเท่าว่าสแตนลีย์คีดและเชิร์ดวูที่มองด้วยตาเปล่าร้องอุทานแท้นในลำคอพร้อมกันหมดพร้อมกับจ้องตะลึงผู้หญิงควันลอยขึ้นเป็นรูปผู้หญิงรพินลดกล้องลงทันทีมองด้วยตาเปล่า แล้วเขาก็เบิกตาจ้องไม่กระพริบสูงเหนือยอดป่าขึ้นไปสู่ห้วงนภาป่าทามกลางแสงแดดอร่ามเรืองยามเช้ากลุ่มควันมีลักษณะประหลาดแปรสภาพจากรูปบานเป็นดอกเห็ดอันทําให้เหมือนการระเบิดของระเบิดปรมาณูเมื่อสักครู่นี้บัดนี้ได้กลายเป็นเส้นทางควันที่กระทบแดดเป็นสีทองทรงรูปลักษณะเป็นสันฐานรูปทรงของสตรี ง, งามนามหนึ่งอย่างเด่นชัด สามารถแยกออกว่าส่วนไหนเป็นเส้นผมยาวสยายส่วนไหนเป็นลำคอใบหน้าและสรีระทุกส่วนครบถ้วนยกเว้นบริเวณขาท่อนล่างซึ่งกลืนไปกับกลุ่มควันทุกคนจ้องแทบตาถลนออกมานอกเป้าในปรากฏการณ์ประหลาดท่ามกลางแสงตะวันหรือเวลาที่วาการแสกนั้นนั่งอยู่ในลนักษณะทรงกายตรง และกําลังจะทะยานขึ้นสู่เบื้องสูงทีละน้อยริมฝีปากงามแย้มเยือนและหันพักตรามาทางกลุ่มมนุษ์ที่จ้องตะลึงแลอยู่พร้อมทั้งยกหัดขึ้นโบกให้ประหนึ่งจะกล่าวคำขอบใจและอำลาภาพนั้นทรงสภาพอยู่นานนับหลายวินาทีทีเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นเพียงแต่ลอยสูงขึ้นทุกขณะเท่านั้นระพินคุณเห็นนั่นไหมกลุ่มควันรวมตัวเป็นรูปผู้หญิง แตลลี่ร้องตะโกนออกมาโวยวายผมควรจะถามพวกคุณเสียมากกว่าว่าเห็นในสิ่งนั้นไหมและมาชัดแล้วหรื อ, อยังครับว่าเหตุใดผมจึงขอร้องให้โคนต้นสายนั้นลงเสียเธอผู้นั้นแหละที่ขอร้องต่อรองกับผมไว้เมื่อคืนโดยเอาชีวิตของอิสซาเบลเป็นข้อแลกเปลี่ยนเธอพ้นคำสาปแล้วและกําลังลาจากพวกเราไปด้วยสัญญาณแห่งมิตรพระพินไพรวันกล่าวเสียงเบา ดวงตาทั้งคู่รีลงและส่งจูบให้แก่กลุ่มควันที่ลอยสูงประหลาดทาบทองฟ้านั้นและนางก็แสดงอาการจุมพิษส่งตอบมาให้นอกจากเขาแล้วทุกคนที่แลเห็นปรากฏการณ์ประหลาดอยู่พร้อมกันใะบัดนี้ยืนตัวแข็งกระปหมบตัดแทบไม่หายใจสวัสดีภาพขอให้เป็นของพวกท่านทั้งหลายเราขอขอบคุณอคคนิรุธและลากร กระแสเสียงวังเวงหวานแววลงมาจากฟากฟ้าสู่จิตประสาทของเขาขอให้ไปดีขอให้ไปสู่ภพภูมิของเธอบัดนี้เธอพ้นคำสาปแล้วรับินกำหนดจิตส่งคำตอบออกไปกลุ่มควันเป็นรูปสตรีงามซึ่งบัดนี้สูงทยานเยี่ยมเมฆนั้นโบกมือมาอีกครั้งอำนาจอันลึกลับบางอย่างโดยไม่ได้นัดแนะกันไว้ก่อนเลยสตคีธเชิดวและจัน ต่างก็เบิกโบกมือตอบย้อยๆขึ้นไปและบัตรนั้นหมอกควันที่มีรูปของดารุณีโฉมสครานก็เริ่มแปลเปลี่ยนสภาพประดุดก้อนเมฆที่ถูกกลมพัดกลายเป็นเส้นทางยาวเหมือนกลุ่มควันจากเครื่องไอพ่นที่บินอยู่ในระยะสูงพุ่งดิ่งไปทางทิศตะวันตกใน ท, ทันทีแล้วก็สูญสลายไปในชั่วไม่กี่อืดใจต่อมาทั้งหมดสานึกกลับคืนมาสู่ตนอีกครั้ง ภายหลังจากกลุ่มควันลนักษณะประหลาดนั้นสลายรูปไปแล้วเริ่มเคลื่อนไหวตัวและบัดนั้นวิทยุแทบทุกเครื่องยกเว้นของราพินที่เปลี่ยนความทีรับส่งไปคลื่นพิเศษก็แววเสียงของคริสติน่าดังออกมาจา ก, กลำโพงว่าเรียกทุกคนทางด้านเราได้ยินเสียงระเบิดแล้วมันดังชัดเจนมากเหมือนอยู่ใกล้ๆนี้เองไส้ใหญ่ต้นนั้นล้มลงแล้วและทางด้านเรานี่ก็หมดภาร ก, กิจทางด้านนี้ กำลังจะออกเดินทางไปสมทบกับฝ่ายของพวกเราทั้งหมดที่โนนหัวหน้าคณะตอบไปทราบกำลังรออยู่คริสติน่ารับคำมาแล้วก็เงียบไปหัวหน้าคณะหันมาทางระพินหมดธุระที่คุณจะต้องย้อนกลับมาทางที่นี่แล้วไม่ใช่หรือเราไปกันได้หรื อ, อยังละ่ะไปสุภาพบุรุษไพรตอบสั้นๆหันไปโบกมือกับเชิดวุฒและจันร์และออกเดินนาหน้าไปในทันที ทุกคนเดินเคียงข้างเข้ามายกเว้นจานซึ่งรั้งท้ายเว้นระยะห่างประมาณ3วายอย่างคุ้นเคยดีอยู่แล้วว่าตนเองจะต้องมีหน้าที่ระวังหลังอย่างไรบ้างพระผิดนำเดินแยกห่างออกมาจากบริเวณใสล้มและบริเวณที่พักเก่าโดยไม่เฉียดใกล้เข้าไปอีกเลยแล้วตัดเข้าสู่เส้นทางที่เขามุ่งหน้ามาในเที่ยวขามาซึ่งเป็นเส้นทางที่ย่นระยะมากกว่าช่วงระยะเวลาระหว่างนี้ยังไม่มีอะไรจะต้องกิเก ร, ก, รกังวลทั้งสิ้น เราเป็นเวลากลางวันมองเห็นทัศนวิสัยของป่ารอบด้านได้แจ่มแช้งถนัดตาแม้ว่ามันจะเป็นป่าดงดิบที่ทึบทมุนก็ตามทีคีตและเชิดวุฒเดินเคียงขนาบเข้ามาคนละด้านเปลี่นความถี่ของวิทยุในมือนายกลับมาสู่ช่องเดิมได้แล้วคีตสะกิดบอกเขาปรเบาระหว่างที่เดินมาด้วยกันถ้าฉันกดคี์วิทยุเครื่องนี้ขึ้นอีกครั้งอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกบ้างเขาถามเรียบเรียบ นายนั่นหัวเราะห้าวๆในลําคอกดให้ตายมันก็ไม่มีผลอะไรขึ้นมาอีกรองเพราะระเบิดที่ตั้งไว้ให้ตรงกับกระแสคลื่นบังคับมันระเบิดไปหมดแล้วนอกจากจะมีการวางระเบิดและตั้งสื่อรับชำนวนระเบิดไว้ใหม่เท่านั้นพวกนายนี่มีของเล่นแปลกๆชนิดคาดไม่ถูกคิดไปไม่ถึงอยู่เสมอนะแต่มันก็เป็นประโยชน์ต่อ ง, งานและการเดินทางของเราในครั้งนี้ไม่ใช่หรือหรือว่านายกับเจ้าวุฒ คิดอยากจะด่าอะไรฝ่ายฉันอีกข้าด่าเองซะจนไม่มีอะไรจะด่าอีกแล้วเชิดวูดบอกมาเบาๆทำไมเองไม่เอาเครื่องไอโฟนขนาดเล็กๆติดมาให้พร้อมด้วยเวลาใครเมื่อยขี้เกียจเดินจะได้เอาติดก้นเหาะไปแทนหรือว่ามีมาด้วยแต่ยังซ่อนอยู่ไม่เอาออกมาโชว์บู s h i t คิดด่าแล้วหันมาพูดกับกานใหญ่ นายจะไม่ถามหรือว่าพอกดคีย์วิทยุแล้วทําไมมันถึงระเบิดขึ้นได้ฉันไม่สนใจหรอกมันจะระเบิดขึ้นได้ยังไงก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การทหารของพวกนายแต่ที่จะเตือนให้เรามาระวังตัวไว้ก็คือไรเฟิลที่ถืออยู่ในมือนายนั่นเถอะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าขึ้นมาขอให้ยิงแม่นๆก็แล้วกันเพราะก่อนที่จะมีเวลาพึ่งพาเครื่องมือเครื่องใช้ก้าวหน้าอย่างอื่นของนาย นายจะต้องพึ่งไรเฟิลประจำตัวก่อนเป็นอันดับแรกคิดไม่ตอบว่ากระไรแต่เชิดวุฒสอดมาว่าในเรื่องขีดตีนแค่นี้ถ้าคนอย่างระพินไม่รู้เขาก็ไม่นำทางพวกนาให้รอดตายมาได้จนถึงวันนี้หรอน่ามีสื่อชนวนระเบิดขนาดเล็กๆลักษณะคล้ายๆแก๊ปลูกปืนอันเป็นเชื้อประทุเอาเข้าไปอัดติดไว้กับระเบิดแต่ละชิ้นที่วางไว้ใช่มล่ะ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 ฉันและพวกราณของเราพินไว้ประจำตัวแม้แต่วิทยุรับส่งนี้ก็เหมือนกันถ้าฝ่ายนายต้องการจะกำจัดเม้มอะไรมันก็อาจจะระเบิดตูมตามค่าฝ่ายเราได้ทุกขณะคิทหัวเราะหึหึ่ไม่ต่อความยาวสาวความยืดกับเชิดวุธิให้เสียเวลาอีกแต่สแตนลี่เอื้อมมือมาตบไหล่นายทหารหนุ่มบอกครึมครมว่าตั้งแต่ออกเดินจากจุดเริ่มต้นที่หนองน้าแห้งมาแล้ว ไม่มีฝ่ายเขาฝ่ายเรามีแต่ฝ่ายเดียวกันทั้งหมดขอย้ำให้ก็จะอีกครั้งเรายังไม่กลัวสักนิดว่าเมื่อไรระพินจะพาเราไปสู่ความตายซึ่งเขาจะทําเมื่อไรเขาก็ทําได้ง่ายๆเหมือนกันแล้วจะมามัวระแวงอะไรกันอยู่อีกนี่นายไม่นิดขอบคุณต่อสิ่งเหล่านี้บ้างเลยหรือหากไม่มีมาด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาเราก็คงตายกันไปหมดแล้วหรือคุณคิดยังไงระพิน ประโยคหลังหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ถามไปทมามักุเทศนำทางซึ่งดูเขาไม่สนใจะอะไรสักอย่างนอกจากสายตาคมวัยที่กราดมองดูภูมิประเทศและนําริ้วรุดไปอย่างรวดเร็วประการเดียวผมไม่มีความคิดอื่นใดทั้งสิน้นนอกจากคิดแน่ใจยอยู่อย่างเดียวว่าในป่าลึกกันดารที่มีผมเป็นคนนําทางแบบนี้จะยังไม่มีใครบังอาจคิดร้ายกับผมทั้งสิน้น และใครก็ตามถ้าลงได้มาร่วมเป็นร่วมตายคลุกคลีอยู่กับผมอย่างนี้แล้วต่อให้มีสันดาณหรือแผนการชั่วร้ายสักขนาดไหนมาก่อนเขาเหล่านั้นก็จะกลายมาเป็นมิตรกับผมโดยเลิกคิดร้ายกับผมหมดสิ้นเพราะผมมีความสุจริตจริงใจต่อเขาเป็นที่ตั้งผมไม่กังวลร้องด็อกเตอร์และฝ่ายคุณเองก็เลิกกังวลได้แล้วกล่าวจบเขายกวิทยุในมือขึ้นกรอกคาพูดลงไป กำลังใบหน้าเข้าจุดหมายจะถึงในเวลาไม่เกิน15หรือ20นาทีนี้เป็นอย่างช้าขอให้เตรียมอาหารเช้าไว้ให้พวกเราด้วยเขาเจตนานที่จะพูดไปถึงคริสติน่าซึ่งเปิดวิทยุเตรียมรับฟังอยู่ตลอดเวลาเสียงหล่อนตอบสูดในทันทีกระแสสำเนียงดีใจและจำเสียงเขาได้ทราบจัดเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วขอให้ตรวจดูจำนวนคนที่คุณจะนำมาด้วยนะว่าอยู่ครบพร้อมหน้ากันหรือเปล่า ประโยกลางดูเหมือนจะเป็นอารมณ์รื่นเริงเย้าเล่นเป็นครั้งแรกของแม่ผมทองภายหลังจากเครียดหนักมาตลอดส t ตลลี่คิดเชิร์ดวุดและจันถูกต้องไหมถูกต้องดีมากสุภาพบุรุษไพรหลอนเน้นเสียงคำว่าสุภาพบุรุษไพรแล้วบอต่อมาว่ามีข่าวดีจะบอกให้ทราบล่วงหน้าด้วยอะไรเบลเขารู้สึกตัวแล้ว สภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากแต่อิดโรยเล็กน้อยเท่านั้นวันนี้ถ้าเราจะมีปฏิบัติการอะไรคืบหน้าเบลจะร่วมได้ด้วยโดยไม่เป็นภาระมากนะักขอแต่เพียงอย่าให้ต้องใช้กำลัง ห, กหักโหมมากเกินไปนักเท่านั้นทุกคนที่กำลังเดินกันอยู่ในขณะ น, นี้ยกเว้นจันผู้ฟังภาษาอเมริกันไม่ออกพากันตื่นเต้นยินดีขีดตะโกนขึ้นมาลอยๆว่าบราโวเมื่อเชิดวุหันไปบอกจัน รานมือซ้ายของรัพินก็ยิ้มแป้นออกมาได้พืมพมออกมาว่าต้องอย่างนี้สินายทหารแมมเบลกระดูกเลยปีเหมือนกันจันนึกว่ายังไงเสียวันนี้เราก็ต้องเสียเวลากันอีกแล้วรัพินพูดกับคริสต่อระหว่างเดินไปพลางขอฟังเสียงของเบลสักนิดเถอะครับคริสฝ่ายนอนเงียบไปอึดใจเสียงค่อนข้างจะแหบเครือแต่พราของเบลก็แว่วออกมาว่า อรุณสวัสดิ์สำหรับทุกคนฉันได้ตาจากไปแล้วเมื่อคืนนี้เพิ่งจะมาคืนชีพเอาเมื่อสี่ถึงหนาทีที่ผ่านมานี่เองดีใจที่รู้ว่าพวกเราทุกคนปกติเรียบร้อยดีลืมตาขึ้นมาครั้งแรกพบหน้าคริสและพวกลูกหาบส่วนใหญ่ของเราแต่ดัฟินหายไปคริสเล่าฟังหมดแล้วว่าพวกเรามีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างในระหว่างที่ฉันสลบอยู่ เราแน่ใจว่าเธอจะต้องปลอดภัยเมื่อรู้ว่าพลัดไปกับรัพพินเมื่อคืนนี้ัหวหน่าคณะพูดแทรกมาอย่างปิติใจคีดกระสอดโคลงขึ้นว่าบาดแผลเป็นยังไงบ้างเบลปวดมากเมื่อรู้สึกตัวครั้งแรกแต่คริสถีดยาระงับให้แล้วตอนนี้ยังมึนๆงงๆงงอยู่ลำดับภาพอะไรไม่ค่อยจะถูกที่อื่นไม่อยู่ทมเทไม่ไปเกิดแผลดันไปเกิดเข้ากระจุดสาคัญซะด้วย นี่หมอคริสท้ามไว้กี่วันนี่ที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนแตะต้องตรงนั้นเสียงเชิดวุดร้องถามไปบ้างเชิงกระเซ้าเย้าแย่เล่นโอ s สติปิด what a damn silly question นายทหารหนุ่มหัวรอกกา้าเข้าไปในไม์ของวิทยุระพินอดไม่ได้เจต้องพลอยหัวรอกออกมาเบาๆคนชุดนี้วีลสณะอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเหมือนกับคณะนายจ้างชุดเก่าของเขา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 ชุดนี้มีความทะลึ่งโลนกว่าชุดของคุณชายเชษฐาและมีเรื่องวุ่นวานในทางเพศกันกลางป่ามากกว่าเท่านั้นจนกระทั่งเขาเองก็เกิดความเคยชินไม่อยากจะถือศาสะแล้วคนพวกนี้เล่นกันได้อย่างคลุกคลีสนิทสนมและฟรีเซ็กกันกลางดงเหลือเกินรู้สึกรกระอักกระอ่วนอึดอัดใจอยู่บ้างก็ตรงที่ไม่ได้มั่วกันเองในเฉพาะกลุ่มแต่ดูเหมือนพยายามอย่างยิ่งยวด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 ถ้าหากโอกาสอำนวยและคนของเขาเกิดหน้ามืดขึ้นมาท่ามกลางป่าเปลี่ยวกันดารเช่นนี้พวกนั้นอาจลืมตัวไปชั่ววูบก็ได้เพราะพฤติการมันล่อตายุ่วใจเลื้อประมาณทั้งหมดเดินเร่งรุดเข้าสู่จุดหมายไปพลางการจะสนทนาโต้ตอบกันทางวิทยุที่ฟังได้ชัดเจนไปพลางก็จะช่วยไม่ให้ต้องให้เกิดความกระวนกระวายใจหรือมีอารมณ์เครียดเกินไปนักทั้งสองฝ่ายทเท่ากับที่ขอสอบถามเหตุการณ์ไปด้วย โดยไม่ทิ้งเวลาให้ว่างเปล่าเนื่องจากไม่มีเหตุฉุกเฉินใดๆแล้วในขณะนี้เบลนี่ผมพูดนะร็ฟิีนกล่าวผ่านคลื่นวิทยุมือถือด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขณะ น, นี้คุณอยู่ที่ไหนยังนอนอยู่ในครูหาเดิมหรือเปล่าฉันถูกหามย้ายลงมานอนอยู่บริเวณพื้นราบหรือบันไดของทางขึ้นสิงโตหินและพวกเราทั้งวัในขณะนี้ก็มารวมกันอยู่ที่นี่ อ้าวทำไมล่ะเขาถามโดยเร็วฝ่ายที่รอคอยอยู่นิ่งไปไม่ถึงอึดใจก็เป็นเสียงของคริสตอบแทนมาว่ามีเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวเกิดขึ้นนิดหน่อยทางด้านนี้นะจะให้เล่าเสียตอนนี้เลยหรือจะมารับฟังมาเห็นเองด้วยตามเมื่อคุณมาถึงที่นี่เล่ามาให้ฟังเร็วจะได้ไม่เสียวเวลาตอนนี้เราคุยกันได้แล้วและผมก็ไม่กลัวว่าทางวิทยุ ข, ของคุณจะหมดเกิดอะไรขึ้น ตอนที่คุณผ่าไปทางด้านโน้ตและตอนที่พวกลูกหาส่วนใหญ่กาลังเพิ่งมาถึงที่นี่คริสพูดช้าๆเสียงคล่องหล่อนชัดเจนกล้องไปยังวิทยุทุกเครื่องที่กำลังเปิดอยู่ทางด้านระพินมีอาการผิดปกติบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นตรงบริเวณที่เบลและคุณเคยนอนอยู่เศษฝุ่นเศษดินมันร่วงลงมาเป็นระยะๆและมีเสียงหินเหนือศีรษะของเราขึ้นไปลัน่น บุญคำฉายไฟขึ้นไปดูเห็นรอยร้าวของหินที่เข้ามาชนประสานกันอยู่มันมีอาการพิกลชี้ให้ฉันดูบอกว่ามันอาจหักถล่มลงมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วยังไงจอมพรานร้องถามโดยเร็วขมวดคิ้วทุกคนที่กำลังเดินไปกับเขาพากันมีสีหน้าง ง, งเงี่ยหูคอยฟังอยู่บุญคำบอกว่าเหตุการณ์มันไม่น่าจะไว้ใจนะ กลวัวว่าเพดานมันจะถล่มลงมาบนหัวเราพอดีกับที่พวกลูกหาบมาถึงก็เลยแนะนําให้ฉันเอาเบลออกมาจากครูหาที่เราอยู่โดยให้พวกลูกหาบช่วยกันอุ้มเบลลงมารวมกับพวกเราที่พักอยู่ที่ฐานสิ่งด้านล่างย้ายสัมภาระที่เหลือทิ้งอยู่ลงมาหมดอีกสักครู่ใหญ่ทางคุณก็บอกมาว่าจะมีการระเบิดต้นทรายนั่นเราก็รับทราบและรอฟังอยู่พอทางโน้ระเบิดคลื่นขึ้นดังเหมือนเสียงฟ้าร้อง คลื่นอากาศมันสั่นสะเทือนมาจะถึงที่นี่ปรากฏว่าหินบนพดานก้อนใหญ่สองก้อนที่มีรอยร้าวอยู่ก่อนและทำอาการพิรุธให้เราเห็นล่วงหน้าก็ถล่มหักตูมลงมามันหล่นลงมาตรงบริเวณที่เบลชั้นและบนคำพักอยู่พอดีตายละระพินหลุดปากอุทานออกมาอย่างตกใจหยุดชะ ง, งักการเดินทันทีเพราะลืมตัวตกตะลึงในคาบอกเล่าทางวิทยุนั้น ไม่ตายเพราะเราสามคนนำเอเวลลงมาเสีก่อนแต่ถ้ายังขืนอยู่ที่นั่นต่อไปป่านนี้เราสามคนถูกฝังไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้จึงขอยกให้เป็นความรอบคอบท่านต่อเหตุการณ์ของสมุนมือขวาของคุณคือบุญคำสมแล้วที่แกเป็นผู้ที่คุณให้ความไว้วางใจที่สุดรับพินอ้าปากค้างหน้าเปืดลงนิดหนึ่งหันมองหน้าพักพวัวทุกคนที่ปลอยหยุดชะ ง, งักตามเขาไปด้วย แดนลี่คีดและเชิร์ดวุธที่ได้ยินเรื่องราวอยู่ตลอดเป่าลมพรูออกจากปากพร้อมกันโดยไม่ได้นัดที่นี่มันน่ากลัวจริงๆน่ากลัวทุกตารางนิ้วอเมริกันอาวุโสครางออกมาจากลำคออันแห้งผากอีตันเท่าสับ ป, ประเดนของนายไว้พริบปฏิพัน์เยี่ยมยอดจริงๆคีดกล่าวชมเชยออกมาจากใจจริงส่วนเชิร์ดวุธเอามือตบขมับตาเล มันอะไรกันนี่ไวยดูมันมีพิษมีภัยเกิดขึ้นทุกด้านทีเดียวนโมตาสะจอมพระสะกดอารมณ์ลงให้เป็นปกติได้อย่างฉับพลันพยักได้พระพวกเดินตามเขาต่อไปมือกดคีย์วิทยุแปลว่าเพดานหินที่เราเข้าไปอาศัยกันอยู่มันถล่มลงมาก็ไม่มากมายอะไรนักหรอกแค่หินสองก้อนก็นละแค่สองถึงสามตันเท่านั้นเสียงตอบบนหัวราน้อยๆของคริส แสดงว่าหล่อนไม่ได้ตื่นเต้นตกใจะอะไรเลยคุณยายเบลลงมาก่อนที่ทางด้านนี้จะบอกไปว่ากำลังจะระเบิดต้นสายใช่ไหมใช่ยายลงมาก่อนนานพอสมควรทีเดียวเพราะมันมีลางบอกเหตุก่อนจากฝุ่นละอองที่มันร่วงลงมาเป็นระยะตามที่บอกไปแล้วกับได้ยินเสียงมันลั่นพอได้รับแรงสะเทือนจากระเบิดทางโน้นมันก็พังคลืนลงมาเลย หินถล่มทับกรบปิดทางเข้าใต้ซ อ, อกอกของสิงโตหินหมดหรือไม่หมดหรอกเพียงแค่สองก้อนใหญ่ๆเท่านั้นเพดานส่วนนั้นเลยเป็นช่องโหว่กว้างทำให้ภายในครูหาสว่างไปทั่วฉันกับบุญคำทดลองวิ่งขึ้นไปสำรวจแล้วปรากฏว่าช่องโปรงด้านล่างที่เราเห็นช่องเล็กๆถูกแรงสะเทือนทำให้มันขยายกว้างออกไปอีกมองเห็นช่องบันไดหินที่จะทอดลงไปลึกทีเดียว มันจะนำไปยังที่ใดบ้างไม่ทราบได้เพราะเรายังไม่กล้าลงไปสำรวจรอให้คุณมาถึงซะก่อนดีมากอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นเรอให้ผมไปถึงเสซะก่อนโชคดีจริงๆที่บุญคําเฉลียวคิดไหวทันซะก่อนขอผมพูดกระตักคำหน่อยครับอืดใจเดียวเสียงบุญคําก็ดังอ่อยๆมาตามคลื่นรับแต่แทนที่จะบอกเล่าอะไรกลับถามมาว่านาย ใชใหญ่ต้นนั้นล้มราบกับพื้นแน่แล้วเรอะเสียงมันดังมาถึงที่นี่เหมือนใครจุดพลุนานวัดแต่ทําฉันกำลังจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงเห็นเนื้อหัวคููหาที่เราเข้าไปพักอยู่น่าถึงร่วงลงมาก็มันเก่าแก่ผุพังเต็มทีแล้วถ้ามันไม่พังลงมาวันนี้มันก็คงจะพังพรุ่งนี้มารืนมาเรื่องมโรงมาเสงนายไประเบิดที่โน่นมันก็เลยพังเร็วขึ้นอีก แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากสมุนขวาหัวโจของเขาบอกมาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยทําเอาราพีนเกาท้อยทอยยิกๆิกฉันอยากจะรู้ว่าอะไรที่ทําให้บุญคําสั่งให้ขนย้ายแมมเปิลลงมาก่อนที่ทางนี้จะบอกไปว่าจะระเบิดต้นใสฮิตโธนายบุญคําก็สิทธิ์มีครูเหมือนกันนะถึงครูจะไม่แรงเท่าครูของนายผีของบุญคํามันก็แรง ไอพวกโงงฟรายกูมานทองที่บุญคำเลี้ยงไว้มันช่วยกันมากระซิบบอกบุญคำตั้งแต่นายออกไปแล้วล่ละมันบอกให้ย้ายแหม่มเบลลงไปข้างล่างนายไว้ใจเธอ น, น่าอยู่กับไอคำปลอดภัยไร้กังวลแม้จะสับดนมั่งนิดๆหน่อยๆระพินไพรวันสั่นหัวเดิกๆพูดกับตะคำมันก็ได้เรื่องได้ราวแค่นี้แหละแต่เขาก็พอใจแล้วที่แกสามารถจะใช้ไหวปริ ป, ปฏิพาน นำเอานายจ้างลบปลีกภัยออกมาได้อย่างทันการและชั่วไม่นานต่อมาจอมพรานก็นําคณะนายจ้างที่เหลือของเขาเข้ามาถึงตําแหน่งหินใหญ่อันแกะจากภูเขาทั้งลูกเป็นรูปสิงหหมอบซึ่งเป็นสถานที่สําหรับเขาและเบลสมสารเข้ามาหลบภัยอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมาพวกนั้นรอคอยกันอยู่แล้วที่ลานโล่งใกล้ป่าเทาวันใช้ยโยโหร้องต้อนรับและทักทายกันแซ่บไปหมดด้วยความปิติยินดี ได้กลับมารวมพวกกันพร้อมหน้าอีกครั้งกองไฟสำหรับหุงหายังลุกโชนพร้อมอาหารตามมีตามเกิดที่เตรียมคอยรับอยู่ก่อนอื่นได้สเตลลี่คีตและเชิร์ดวูดปราดเข้าไปหาอิสซาเบลซึ่งขณะนี้กำลังพยุงกายขึ้นนั่งพิงเถาวันทั้งสามผลัดกันเข้าไปกอดและจูบที่แก้มแม่ผมแดงซึ่งมีรอยยิ้มแจ่มใสยอย่างคนมีชีวิตใหม่หล่อนกอดและจูบตอบทุกคนพร้อมทั้งจับมือแน่น น้ำตาซึมด้วยความดีใจพรานใหญ่กว่าตาแวบเดียวไปยังคณะทั้งหมดที่มาชุมนุมกันอยู่ในลักษณะตั้งแคมป์พักคุงหาชั่วคราวยังเชิงบรรดาที่จะไต่ขึ้นไปยังคูหาหินภายในซอกโรงอกของสิงโตหินนั้นแล้วกระโจนรวดรวดขึ้นไปยังตำแหน่งที่เขาเคยพักทันทีอดไม่ได้ที่จะใจหายว่าเมื่อแลเห็นหินใหญ่สองก้อน ถล่มลงมาบด ท, ทับบริเวณที่เขาเคยใช้เป็นที่นอนพักกับเบลเมื่อคืนที่ผ่านมากองขรเนินเต็มเนื้อที่บริเวณนั้นไปหมดถ้าไม่มีการเคลื่อนย้ายเบลลงมาเซตก่อนก็เป็นนั้นแน่นอนว่าหลอนและใครก็ตามที่ยังอยู่ณบริเวณนั้นจะต้องแหลกเละอยู่ภายใต้กองหินที่หักทับบดลงมานั่นเองระพินเสยปีกหมวกขึ้นป้ายแขนเช็ดเหงื่อที่เกาะเปล่ า, าอยู่บนหน้าผาก แยกเคี่ยวรีตาดูหินทั้งสองก้อนแล้วสำรวจไปทั่วบริเวณคูหา